ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายซึ่งมีท่านพระสมุตรีเป็นประธานพาตมาได้รับคำขอร้องให้มาบรรยายธรรมะในรูปของธรรมสาขฉาที่นี่อีกครั้งหนึ่งโปรดเข้าใจว่า การบรรยายในรูปธรรมศาสตร์ฉานี่ก็คื อ, อ, อมุ่งจะให้ได้มีการซักซ้ายในทุกแง่ทุกมุมเท่าที่จะทำได้<ม>เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งนั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องโตคารมหรืออะไรที่มักจะเข้าใจกันโดยมาก ท่านขอได้โปรดกำหนดจดตั้งใจกำหนดในลักษณะที่จะมีความเข้าใจละเอียดละ อ, อก่กมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าอย่างอื่นที่นี่สำหรับเรื่องที่จะอภิปรายนี้ทางเจ้าหน้าที่กำหนด ว้ให้้เสร็จว่าโดยให้หัวข้อว่าท่านเข้าใจธรรมะอย่างไรอ <c oughs> าตมาต้องขอเวลาหรือขอโอกาสซ้อมความเข้าใจ เ, ออเกี่ยวกับหัวข้อบรรยายนี้สักหน่อยที่เพื่อประโยชน์จะได้บรรยายได้ กรงตามที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเพราะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะงงเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าท่านเข้าใจธรรมะอย่างไรเพราะคำว่าท่านนี่เรายังงงอยู่ไม่ทราบว่าหมายถึงใคร <c oughs> ถ้าหมายถึงท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังอาตมาและ อาจารย์คริตก็คงจะไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรได้เลยเพราะเป็นเรื่องของท่านผู้ฟังที่ถ้าว่าท่านเนี่ยหมายถึงฝ่ายผู้พูดผู้บรรยายคืออาตมารกรรมอาจารย์คริสตก็ <c oughs> ดูเป็นว่าจะเป็นเรื่อง ให้ต่างฝ่ายต่างออแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับธรรมะดู็พกั้ว่าจะชวนให้เกิดชวนให้เป็นทำการวิวาดเนี่ยมากกว่าที่เรากำลั ง, งงงอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคำว่าวาดหรือวาทะนี่ <c oughs> ถ้าถือตาม หลักเกณที่ใช้กันอยู่ในวงของธรรมะหรือปรัชญาแล้วคำว่าวาทะนี่หมายเพียงความเข้าใจอย่างไรแล้วยืนยันอยู่อย่างนั้นคำว่าวาดนี่เช่นสุญญาวาดอัตตวาด อ, อนิคกวานนี่มันก็จ ไอ้ที่เรียกว่าอิสึมอิสซึมที่ใช่ต่อท้ายคําว่าดวนอิสซมุติสซมอะไรทั้งนองนี้ <c oughs> วาดคานี้มีความหมายอย่างนี้ท <c oughs> ่านแม้เราจะมีความเห็นข้อที่ยึดว่าเป็นหลักต่างกันก็ไม่ได้หมายถึงการวิวาด <c oughs> อย่างที่ชาวบ้านก็หมายหมายกันตามธรรมดา <c oughs> คาว่าวิวาด ในภาษาของแธรรมะหรือปรัชญาหรือแม้แต่ทางวินัยนี่ของพิกษุก็ยังหมายแต่เพียงว่ามีความเห็นต่างกันเท่านั้นที่ถ้าว่าจะมีความเห็นต่างกันแลมายืนยันในข้อที่ต่างกันอย่างนี้ <c oughs> ก็คงจะเสียวเวลามากทังคงจะเป็นไปได้ในทางว่า นัตรมารมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะบรรยายออกมาอาจารย์คฤิ์ก็จะซักไซา์ในข้อที่ควรสงสัยหรือทำความกระจ่างให้ยิ่งขึ้นไปดั <c oughs> น้การที่มีหัวข้อที่ยังกํพัวอย่างนี้ต้องขอภัยที่ทำความเข้าใจกันซะก่อน <c oughs> ที่เราอยากจะ เปลี่ยนไม่ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนแต่จำกัดความหัวข้อนี้ให้ชัดว่าคำว่าช่านนี่หมายถึงพวกเราทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นว่ากำลังเข้าใจธรรมะอย่างไรหรือแค่ต่อมาก็คือว่า เ, เราควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร ในเมื่อเรานี่ก็คือท่านทั้งหลายรวมทั้งอตาตมาสองคนด้วยก็คือว่าเราเคือท่านทั้งหลายคือเราทั้งหลายอควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรเี่อาตมามีความเห็นว่าเราควรจะใช่วัอที่จํากัดชัดเจนอย่างนี้ท่านอาจารย์พิชิตจะเห็นอย่างไงในข้อนี้เ ผ, <ม>ผมไม่มี เห็นจไม่มีอะไรจะซักหลอกครับเดิอยากจะกราบเรียนเวอร์ทุกวันนี้เข้าใจธรรมะมันยากเพราะเหตุว่าคนเรามันมีเรื่องจะต้องทํามากอย่างวันนี้ได้รับเชิญให้มาฟังธรรมะจากท่านแต่ว่าครูรสภาในทำสองอย่างพร้อมกันข้างล่างฟังธรรมะข้างบนแต่งงานผมไม่มีสมาธิฟังอะไรทั้งนั้นเป็นว่าเรา มีหน้าที่ที่จะบรรยายธรรมะตามหัวข้อที่ว่าที่กำหนดไว้โดยให้หัวข้อที่จำกัดทารากันมาสักหน่อยว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรอาจารย์คือที่ขาดข้อไหนที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อ่ใหมายอย่างนี้ เราอาท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรถ้าควรจะเข้าใจไม่ไม่ขัดข้องนะครับตลอดจนท่านจะพูดเรื่องเลือกที่เข้าใจธรรมะด้วยอะไรด้วยกาละเทศะเพราะไม่ขัดข้องนะนะั่นเห็นว่าควรจะ <c oughs> ส่งเสริมทำเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งเรื่องทำอะไรมันถูกเรื่องถูกราวกันไม่จะทำพร้อมๆกันหลายอย่างที่มันขัดต่อกันนะ่ะ <c oughs> กันัว่าเป็นความคิดการเห็นที่น้าฟังมากที่เราไม่ควรจะทำอะไรที่แบ่งแยกกระแสะของสมาธิไปหลายทิศหลายทางท่านขอชักชวนท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์อย่างไรจึงตั้งจิตให้มีสมาธิอย่างนั้นโดยส่วนเดียว อที่นี้ทมาก็จะได้กล่าวออบรรยายไปตามความมุ่งหมายทามาขอภัยที่ว่าก่อนจะที่จะกล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องตามหัวข้อนั้นทมาอยากจะกล่าวถึงเรื่องออปรารภเพทบางประการที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนเสมอเพราะว่าการทําอย่างนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่เราจะพูดนั้นได้ง่ายขึ้น และเป็นการกล่าวปัญญายธรรมะนั้นพร้อมๆกันไปในตัวนั้นจึงขอโอกาส <c oughs> ที่จะกล่าวคำปรารรเพดด้วยเวลาประมาณหนึ่งในห้าของทั้งหมดหรือหนึ่งในสี่ของทั้งหมด <c oughs> ถ้ามาเผลอไปจางค ก, กษช่วยช่วยห้ามล่อหรือว่าช่วยช่วยช่วยดึงเข้าไปสู่เรื่อง <c oughs> โดยเร็วด้วย ข้อแรกที่มาอยากจะกล่าวก็คือว่าข้อภายอย่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อไปแสดงคำหรือบรรยายธรรมะที่ไหนอะมามักจะถูกหาว่าอโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมหรือแกพระศาสนามากเกินไปพูดเป็นการทานองโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมมากเกินไป อย่างก็ว่าจะโฆษณาขายสินค้ า, านี่เป็นตน้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ทราบว่าเ อ, อพระธรรมนั่นธรรมะหรือพระธรรมนั่นวิเศษเหลือเกินวิเศษอย่างยิ่งจนไม่ต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยขอให้นึกคิดกันไปพลางว่าธรรมะนี่วิเศษจริง อ, อจนไม่ต้องอาศัยโฆษณาชวนเชื่อนี่จริงไหม แห้พวกเราเสียอีกที่ว่ามีจิตเสื่อมซามลงทุกทีจนต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นทุกทีแม้แต่เรื่องที่เป็นการบุญการกุศลบริสุท ธ, ธิธรรมนี้ก็ยังต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อและใช้มากขึ้นทุกทีเช่นกิจการลูกเสือกิจการสภากาชาติหรืออะไรทำนองนี้ก็ยิ่งต้องมี การโฆษณาไปในรูปชวนเชื่อด้วยเล่ด้วยอุบายอัไมากขึ้นจุกทีที่มันแสดงว่าพวกเรามีจิตไกลออกไปจากความเหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะแต่ละมานึกอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่ตรงกันข้ามกับธรรมะหรือว่าแม่ที่สุดแต่เรื่องที่ถือกันว่า กระเดียดไปทางลาโมกอนาจารเป็นอบายมุกแล้นี้ก็มีการโฆษณาชวนเชื่อกันยิ่งขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนี่มันเป็นการกลบเกลือ น, นดึงความสนใจในธรรมานี่ให้แห้นเหวไปหมดทั้งมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อให้แก่ธรรมะบ้านเพื่อจะต่อสู้กันหรือว่าดึงกันไหวให้เหมาะสม พระอมาลอาตมาก็เลยคิดว่าน่าจะถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็พ่อยอมเ <c oughs> ี่ยโลกเราเอกําลังร้ที่พึ่งเนี่ยขอให้กําหนดข้อนี้ไว้ด้วยอยิ่งขึ้นทุกทีว่าโลกเรากําลังไร้ที่พึ่งยิ่งขึ้นทุกทีเพราะผลของการโฆษณาชวนเชื่อที่ออกไปเอที่ออ ก, ออกมาตามความต้องการของ ความเห็นกับตัวนี่มากเป็นทุกข์ผีจะคล้ายๆกับว่าโลกนี้บรรยากาศในโลกนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของมุสาวาทโฆษณาชวนเชื่อที่กระทำอยู่กลุ่มไปในบรรยากาศของโลกนี้เป็นเรื่องมุสาวาทคือทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนวัตถุซึ่งเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ก็จําเป็นที่จะสังชายโวหารมุสาวาทไม่โดยตรงก็โดยอ้อมที่คอยคิดว่าโลกมีบรรยากาศลุ่มไปโดยมุสาวาทมากขึ้นทุกทีหรือเปล่าอย่างนี้จริงอย่างนี้หรือเปล่าอ <c oughs> ่านนี้มีเหตุผลสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนึกต้องคิดที่เราจะเข้าใจธรรมะหรือแม้แต่สนใจธรรมะมองดูแล้ว บรรยากาศแห่งมุสาวาดที่กลุ่มไปนั่นแหละคือบรรยากาศแห่งการเบียดเบียนนั้นโลกเรานี้เต็มไปด้วยการเบียดเบียนด้วยวาจาด้วยเจตนา <c oughs> ซึ่งเป็นการเบียดเบียนที่ลึกลับ เ, เป็นไ ป, นปนในทาง จ, จิตใจเมื่อมองดูแล้วจะเห็นว่าการเบียดเบียนนี้ไม่ใช่หน้าที่ ไม่ใช่หน้าที่ของคนเราไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์เรา <c oughs> เราได้เคยมาพิปรายกันอย่างชัดเจนแล้วว่าธรรมะคือหน้าที่ที่บริสุทธิ์ที่มนุษย์ควรจะทำแต่การเบียดเบียนนี้ไม่ใช่หน้าที่แน่ <c oughs> แต่เมื่อเรามีการเบียดเบียนอย่างนั้นก็หมายความว่าทำผิดหน้าที่คือไม่มีธรรมะหรือว่าถ้ามีธรรมะก็กลายเป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้าม เป็นธรรมะของโจรธรรมะของพาลชนหรืออะไรสําหรันี้ไปมากกว่าการเบียดเบียนไม่ใช่ธรรมะที่เราต้องประสงค์นั่นจึงว่าร้ธรรมะกําลังร้าธรรมะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็มีคุณภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงถ้า่มามอยากจะสรุปสั้นๆว่า เรามีคุณภาพทางจิตใจที่จะเข้าใจธรรมะนี่ยเสื่อมลงแม้ว่าทางฝ่ายวัตถุเราจะเจริญามากขึ้น้ามาอยากจะยกตัวอย่างขอภัยว่าสแตมทีใช้ปิดซองจดหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้ใชยไม่เคยจะได้ตัวกาวที่ทาไว้นั่นนะไม่ค่อยจะติดไม่เหมือนกับสแตมในยุคก่อนก่อน นี่ธมาไม่เคยไปรอบโลกแต่นั่งดูอยู่ที่เนี่ยรู้ได้จากสกแต็มที่ว่าปิดซองจดหมายเพราะว่าจจะมาปิดซองจดหมายปิดสแต็มเองทั้งนั้นทาราจาริกิอาจจะไม่ไม่เคยปิดสแต็มเองซองจดหมายนี่แต่มาปิดเองเพราะรู้ว่าสแต็มเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงที่ตรงกาวที่ปิดสแต็มนั่นแล้วทําไมให้เรามีวิชาควารมรู้ก้าวหน้าขนาดว่าออกไปนอก โลกไปสู่อวกาศหรือจะไปดวงจันทร์นี่ก็ได้แต่แล้วทําไมออก้าวที่สแตมม์นี่มันยังเสื่อมคุณภาพลงเสื่อมลงแล้วก็คนเนี่ยเป็นผู้ทําสแตมม์หรือว่าสั่งสแตมม์เข้ามานี่อยากจะว่าวิชาความรู้ทางการแค้นคว้านั้นก้าวหน้าแต่คุณธรรมที่จะทําอะไรให้ตรงตามหน้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคงเส้นคงวาเนี่ยมันเสื่อมลง จึงถือว่ามนุษย์เราเสื่อมลงในข้อนี้จนไม่เหมาะที่จะเข้าใจธรรม ะ, ะยิ่งขึ้นทุกทีปัญหามันจึงมันหนักอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะพยายามทำกันและกันช่วยกันและกันให้เข้าใจธรรมะหรือสนใจธรรมะนี่มันมีอุปสรรคอย่างนี้แต่มาอยากจะกล่าวต่อไปอีกว่าที่นี้เรามองดูถึงเด็กเด็ก ว่าเด็กอนุชนรุ่นนี้หรือรุ่นต่อไปของเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นทุกทีหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเด็กเล็กขนาดปถมห้าหรือมอมัธยมหนึ่งอย่างกลาวนั่น <c oughs> ถ้าถามว่าประโยคนี้ใครกล่าวประโยคว่า แวนนี้ท่านได้แต่ใดมาหรือว่าอันใดย้ำแก้มแ ม, แม่มองมานทำตรงนี้ใครกล่าวตอบถูกทันทีเลยใครกล่าวแต่ถ้าลองถามว่าประโยคนี้ใครกล่าวคือว่าขอพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับไหลนีใครกล่าวตอบไม่ได้ค่อยลองคิดดูว่าประโยคที่ว่า ขพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับเนี่ยใครกล่าว <c oughs> แล้วก็ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเรียนเป็นวรรณคดีอย่างยิ่งหรือไม่ <c oughs> นี่ก็เพราะว่าถ้าเขาตอบถูกในข้อที่ว่าวันนี้ได้แต่ใดมาเนี่ยเขาได้คะแนน <c oughs> แต่ว่าเรื่องตอบถูกว่าใคร มาพูดอยไตีกลองลูกคนให้ตืน่นนี่ไม่ได้คะแนนนักเรียนไม่เคยได้คะแนนจึงเลยไม่สนใจถ้าเราจะมุ่งหมายเอาผลทางวันนักดีก็ลองคิดดูเถอะว่ามันเป็นวันนักดีที่เท่ากันหรือมากกว่ากันหรือดีกว่ากันในการที่จะรู้ข้อที่ว่าแหวนนี่ได้แต่ใดมาหรือว่ารู้ว่าขอพระองค์จงตีกลองลูกคนให้ตื่นอย่างนี้เป็นต้น นี่เราให้เด็กๆของเราศึกษาเล่าเรียนไปในทางใดในทางที่เหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะหรือไม่นี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่มาอยากจะฝากไว้ให้ช่วยกันคิดว่าเราจะเตรียมเด็กๆให้เหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะโดยลักษณะอย่างไร <c oughs> ที่นี่เลี้ยวดูไปกว้างๆทั้งโลก เช่นว่าในโลกนี้ใช้กระดาษพิมพ์หนังสือวันหนึ่งตั้งร้ายพันตันหรืออาจจะตั้งหมื่นตันในโลกนี้ก็แปลว่ามีอิทธิพลมากที่สิ่งที่พิมพ์ออกมานั้นเป็นเรื่องทางธรรม ะ, ะสักกี่เปอร์เซ็นสักกี่เปอร์เซ็นตจะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่าจุดห้าหรือจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ศูย์ห้าเปอร์เซ็นตหรือเปล่าเนี่ยท่านที่ เป็นนักศึกษาต้นใจในเรื่องการพิมพ์ของโลกก็จะเข้าใจได้ดีที่ถ้าวายส่วนมากเป็นไปในทางที่ยั่วให้ลุ่มหลงในทางวัตถุแล้วก็หมายความว่าส่วนที่ยั่วให้ไม่สนใจธรรมะและไม่อาจจะเข้าใจธรรมะนี่ได้นี่มีมากเหลือเกินจนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้หุ้มหอบบรรยากาศหรือจิตใจของมนุษย์ทั้งโลก ให้เป็นปนในทางที่ว่าชักใหญ่พันตัวเองเหมือนกับ น, นอนตัวดักแ ด, ด้มากขึ้นมากขึ้นจนมืดมิดจนกัดกัดออกมาไม่ได้ออกมาสู่แสงสว่างไม่ได้และจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรหรือว่าจะสนใจธรรมะได้อย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองดูในวง ของวัดวาอารามเราเนี่นัตธมาอยากจะกล่าวว่า <c oughs> การเรียนธรรมะนี่ขอให้กำหนดฟังให้ดีๆว่าการเรียนธรรมะหรือการเรียนบาลีในวัดวาอารามของเราเนี้เรียนได้ผ่านไปได้โดยไม่ต้องสนใจธรรมะเลยก็ได้โดยไม่เข้าใจธรรมะเลยก็ได้ฟังดูหน้าหน้าขันหรือว่าหน้าประหลาด ว่าเรียนธรรมะเรียนบาลีผ่านไปได้โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องเข้าใจธรรมะเลยก็ได้ก <c oughs> ็เป็นสิ่งที่ทำได้ข้อนี้ขอให้อาจารย์ชือลิคิดและช่วยอภิปรายอย่างละเอียดสักหน่อยที่แม่คณะสงฆ์เราก็ <c oughs> ยังอยู่ในสภาพที่น่าตกใจ ว่ากิจการของคณะสงฆ์ก้าวหน้าไปแต่ในทางที่จะทำให้อธิกรณ์ต้องเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ว่ามุ่งหมายประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการเข้าใจธรรมะเสียแรกเพื่อเราอาจจะมีความรู้พระนี่มีความรู้สึกออกไปประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องสนใจธรรมะโดยไม่ต้องเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและเพียงพอก็ได้เรื่องมันเปลี่ยนไปถึงอย่างนี้ เนี่ยทั้งหมดนี้การที่กล่าวมานี้สรุปได้ในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหลายกําลังเข้าใจธรรมะอยู่อย่างไรคือว่าอยู่ในลักษณะที่น่าชื่นใจหรือว่าอยูใ่ในลักษณะที่น่าวิตกน่าเป็นห่วงขอให้เราได้อภิปรายกันในข้อนี้ก่อนว่าที่จะมากล่าวว่าพวกเรากําลังเข้าใจธรรมะ กันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นั่น <c oughs> เป็นความจริงหรือไม่ขออาจารย์ชุติชตช่วยอภิปรายส่วนนี้ <c oughs> เพื่อความเข้าใจอันดียิ่งกันเสียก่อนอขอเชิญกผมก็เห็นด้วยก็ที่ท่านได้บรรยายมารู้สึกว่าทุกวันนี้คนเราก็ไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจ ในสิ่งซึ่งนึกว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงไม่ใช่ธรรมะมองกันไปในแง่ต่างๆสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อในทางอื่นๆในทางโลกนี่ก็จะขอยกเว้นให้มันก็เป็นธรรมดาของโลกคนเราก็จะต้องทำมาหากินจะต้องโฆษณาขายสินค้าต่างๆไอ้อยางนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ติดใจเรื่องที่ท่านได้กล่าวว่าเด็ก ถามอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะไม่รู้เพราะเหตุว่ารู้ธรรมะแล้วไม่ได้คะแนนอันนี้ก็เป็นความจริงอีกก็เห็ น, นจะไม่ต้องอภิปรายหรือไม่ต้องอพูดว่าอะไรรู้สึกว่าคนเด็กเราทุกวันนี้ก็พยายามที่จะหาความรู้เพื่อหาคะแนนมากกว่าที่จะหาความรู้เพื่ออย่างอื่นแค่ก็อยากสอบได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาของเด็ก แต่ว่าในกรณีสุดท้ายที่สันได้กล่าวมาว่าวัดของเราทุกวันนี้ก็มีการโฆษณาอยู่มากแล้วก็การที่จะเรียนบาลีเรียนธรรมะในวัดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับธรรมะเลยก็ได้นี่ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วความจริงไม่อยากให้แต่ชาวต้องกล่าวให้ผมพูดเองดีกว่าเพราะแต่ชาวยังไ ง, ไงก็ยังสีเดียวกันอยู่ พูดไปก็จะไม่ดีเพราะรู้สึกวันทุกวันนี้ที่ท่านได้ท้าวกล่ามาตอนแรกว่าถูกหาความว่าเป็นผู้โฆษณาชวนเชื่อให้คนเห็นธรรมะหรือโฆษณาชวนเชื่อธรรมะมากแก่พระธรรมมากเกินไปนั้นก็เห็นจะเป็นคนสองคนพูดแล้ครับไ ม, ไม่จริงเพระเหต์พระทหาว่าท่านโฆษณาจริงบางทีก็จะมีคนได้ยินบ้างเถ้าการโฆษณาที่ดีที่ถูกที่ต้องก็จะต้องมีคน ได้ยินได้ฟังเชื่อถือไปตามคำโฆษณานั้นแต่ผลที่ปรากฏท่านก็พูดเองอยู่แล้วว่าคนก็ยังไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านโฆษณาจริงท่านก็โฆษณาไม่เก่งอสู่คนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าคนส่วนมากก็ยังไม่รู้ธรรมะแต่ว่าที่อ้างมาโฆษณาธรรมะ ก, กันทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีลักษณะของการค้าเข้าไปเกี่ยวอยู่มาก คือผู้โฆษณาธรรมะนั่นก่อนจะโฆษณาดูลักษณะของตลาดก่อนว่าต้องการอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาโฆษณามาขายให้คนที่อยู่ในวัดทุกวันนี้มารู้ว่าตลาดโดยทั่ ว, วไปเขาต้องการตัณหาอุปาทานก็นำเอาสิ่งที่อ้างว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงเต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานเอามาเสนอให้เอามายืนให้เป็นต้นวัเทศนาสาั่งสอนในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เทศนาทางทางวิทยุทางอื่นในเรื่องชีวิตบนสวรรค์เทวดาเกี่ยวภาราศรีกันอย่างไรเป็นเรื่องสนุกสนานคลืคลื้นฟังกันทั่วประเทศล่าหลอดจนกระทั่งพูดไปถึงเรื่องอสิ่งที่อาจจะเป็นจริงไม่ได้หรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เหล่านี้เป็นเรื่องที่แม้แต่เด็กๆ ก, ก็อาจจะเถียงได้ผมสังเกต ด, ดูรู้สึกว่าการโฆษณาธรรมะทุกวันนี้ ที่ทำกันอยู่นั้นยังไม่รอบครอบหนักแล้วก็มันอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปหมดความเลื่อมใสหมดความสนใจในธรรมะแล้วเมื่อคนเห็นว่าธรรมะหรือเข้าใจผิดนึกว่าสิ่งที่ได้ยินจากวัดจากาวิทยุกระจายเสียงจากหน้านังสือพิมพ์ซึ่ง เ, เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนั้นไม่มีความน่าสนใจเป็นเรื่องพื้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่อาจจะสงสัยได้อย่างนี้แล้วหรือเป็นเรื่องที่แย้งได้อย่างนี้แล้วคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยตรงก็ย่อมจะหมดความสนใจเห็นว่าธรรมะนั่นเองเป็นสิ่งร้ายประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระสู่ชีวิตธรรมดาอย่างทางโลกสู่การทำมาหากินตามปกติไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าวัดใดวัดหนึ่งจะโฆษณาพระเครื่องราง รูปหลวงพ่อต่างๆว่าใครได้ไปบูชาแล้วทาให้เกิดหมุนพุนเขาทําให้เกิดทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้อาจจะมีคนเชื่อได้มากด้วยความเรื่มใสายด้วยศรัทธาชนิดที่ไม่กํานึงเหตุผลแต่อาจจะมีคนอีกมากมายทีเดียวที่ว่าเห็นว่าถ้าอยากได้เงินทองอยากจะทําให้ทรัพย์สมบัติเจริญแล้วน่าจะมีทางอื่นที่ดีกว่านั้นน่าจะเป็นการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรและอื่นๆตลอดจน <c oughs> ในที่สุดก็หรือคนอีกพวกหนึ่งก็อาจจะเห็นวา่าอยากได้สตางมากมากก็คดโกงเขาเอาดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปบูชาพระพุทธรูปหรือรูปพระสงฆ์องค์ใดทั้งสิน้นเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่แย้งกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าหากว่าทางในตลาดทุกวันนี้ในทางวัดหนักไปในทางโฆษณาเช่นนี้แล้วก็มันก็ทําให้เกิดผลทางใจซึ่งไม่น่าที่จะปรารถนานักผมก็เคยนึกอยู่เสมอเหมือนกันว่าทําไมทางวัดรู้สึกว่าใช้วิธีการของโลกมากไป หรือคนอยากได้ยินอะไรก็มักจะส่งเสริมพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินอย่างคนเขายังมีตันหาอยู่ก็ไปสอนในทางที่จะได้ให้ตันหางอกเงยขึ้น อ, อ, อย่างที่คนยังมีอุปาทานอยู่แทนที่จะสอนไปในทางตัดอุปาทานกลับไปสอนให้มีอุปาทานเพิ่มขึ้นหรือบางทีก็มีการทรงเจ้าเข้าผีอะไรต่างๆไปเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเรื่องตันหาอุปาทานทางนั้นแล้วก็เรียกให้คนนับถือเลื่อมใสได้มากคนที่ยัง ติดอยู่ทางนั้นก็มุ่งไปผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านทำกันทาเพื่ออะไรแต่เมื่อสืบสวนไปก็ได้ความมาท่านทำเพื่อหาเงิน <c oughs> ห้างว่าหาเงินเข้าวัดในที่นี้ก็ทำให้คิดต่อไปว่าวัดนั้นเป็นมีประโยชน์สำหรับอะไรคือถ้าวัดเป็นสถานที่ตั้งของธรรมะเป็นที่สำหรับเผยแพร่ธรรมะในทางที่ถูกแล้ว ดูมันรู้สึกจะขัดกันว่าถ้าเราใช้วิธีการที่ไม่ตรงกับธรรมะคือเราไปล่อให้คนเขาติดเพื่อจะเอาสตางค์เขามาสร้างสถานที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่แห่งความวิมุตติผมยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อว่ามีการหาเงินเข้าวัดด้วยวิธีต่างๆซึ่งเป็นทางที่ทำให้ติดทำให้หลงแล้ว ผมก็อยากจะขอสรุปต่อไปว่าเมื่อสร้างวัดหรือซ่อมวัดขึ้นมาได้แล้ววัดทุกวันนี้ก็เป็นที่ตั้งของความติดความหลงนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตั้งแห่งวิมุตติผมอยากจะพูดว่าอย่างนี้จะหาว่ารุนแรงไป ก, ก, ก็ก็สุดแล้วแต่แต่เท่าที่สังเกต ด, ดูทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นมีการโฆษณาวัตถุที่กล่าวมาแล้วพระทูรุปบางพระเครื่องรางบางรูปบุคคลบ้าง มีการวปพิพิจารณาแขแ่งแย่งแข่งดีก็ไม่ยังกัดสินค้าตลอดจกนกระทั่งทุกวันนี้ส่งเสริมการเรียนวิปัสนากันมากเข้าสำนักวิปัสนาต่างๆกันเสร็จแล้วก็ออกมานินทากันวิปัสนสนักโนนไม่ดีสู้สำนักนี้ไม่ได้สำนักนี้ดีกว่าสำ น, น, น, นักโนนอินทากันไปถึงเรื่องส่วนเนื้อส่วนตัวของบุคคลผู้จะเป็นครูบาอาจารย์ ผมเองไม่ได้อยู่สำนักวิปัสสนาไหนจึงรู้มากเพราะได้รับฟังนินทาทุกสำนักใครได้ใครก็มาหาผมแล้วก็มานินทาให้ฟังหมดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่รายละเอียดผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าเมื่อนั่งวิปัสสนาเพื่อทำให้ต้องออกเที่ยวนินทากันแล้วนี่ผมก็ยังไม่เห็นว่าปิดปรตวิปัสสนานั่นเองจะเป็นทางส่งเสริมธรรมะหรือทาให้คนเข้าใจธรรมะแต่อย่างไร ปัญหาทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็อย่างที่ท่าวได้กรุณากล่าวมาผมเป็นคนมีบาปมีกรรมมากก็พูดในรายละเอียดเผ็ดร้อนต่อไปอีกได้ไม่ได้ขัดแย้งประการใดนั่นก็ขอประธานได้โปรดบรรยายต่อไปดีกว่าปร่อยพ่อพูดไปเดี๋ยวเขาพูดสักคนเดียวตอนนั้นเองทีนี้ข้อต่อไปที่มาอยากจะขอร้องให้สนใจกันต่อไปอีก เกี่ยวกับเรื่องเข้าใจธรรมะหรือวิธีเข้าใจธรรมะหรืออุปสรรคของการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราที่พูดกันว่าสนใจธรรมะอยากศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยเราสนใจกันแต่ในแง่อของของหลักทฤษฎี แล้วก็ด้นดันเลยไปจนเลยขอบเขตที่จำเป็นเ <c oughs> นี่ยขอให้กำหนดให้ดีๆว่าได้สนใจแต่ในแง่ฝ่ายทฤษฎีและมีน้ำซ้ำด้นดันเลยไปจนเลยขอบเขตของความจำเป็นนี่เพราะว่าศึกษากันในส่วนนี้สนุก มีเรื่องที่จะถกเถียงกันมากแล้วก็เกิดยิ่งเกิดสนุกแล้วก็มีทางที่จะได้เกียรติได้ชื่อเสียงว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้มากกว่าที่จะนั่งพิจารณาธรรมะแท้จริงโดยตรงมันจึงดึงไปโดยไม่รู้สึกตัวให้ไปหลงติดศึกษาในฝ่ายที่เป็นเพียงหลักทฤษฎีไม่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ แล้วต้นด้านไปเลยขอบเขต <c oughs> ยกตัวอย่างที่เป็นทรษฎดีล้วนรวน <c oughs> เช่นตัวอย่างเช่นเรื่องอาภิธรรมอาภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องทรษฎดีล้วนรวนไม่แสดงหลักหรือวิธีปฏิบัติถ้าจะพูดด้วยการเปรียบเทียบจะเข้าใจได้ดีกว่าพื อ, อจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าเราจะ เรียนคน้นคว้าสูตรกฎเกณฑ์ต่างๆจนสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ใหม่สามารถสร้างมนุษย์สร้างคนเนี่ยขึ้นมาได้ใหม่ด้วยวิชาที่ค้นพบใหม่นี่ดีหรือว่าเราจะศึกษาแต่เฉพาะวิธีปฏิบัติสำหรับมนุษย์ที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยว่าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเนี่ย วิชาพุทธศาสนาเช่นอภิธรรมโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นไปนในรูปที่คล้ายกับว่าเราจะค้นหาสูตรหากฎเกณฑ์หาวิธีต่างๆสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ซะเองแทนที่จะเป็นวิชาที่เป็นตัวหลักปฏิบัติโดยตรงสำหรับมนุษย์ที่เกิดอยู่แล้วว่าจะเอาชนะความทุกข์นี้ได้อย่างไรที่จะลองเป ร, รียบเทียบกันดูว่ายางไงมันน่าสนุก หรือมันชวนดึงชวนให้เกิดความสนใจมากกว่าคนก็จะต้องคิดว่าไปคิดสร้างมนุษย์กันขึ้นมาให้ได้ใหม่เนี่ยมันน่าสนุกกว่าลึกซึ้งกว่าน่าอัศจรรย์กว่าวิเศษวิโสกว่าส่วนวิธีที่จะปฏิบัติโวยมนุษย์ที่เกิดอยู่แล้วตาดำๆเนี่ยเอาชนะความทุกข์ให้ได้ดีดูเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่คือข้อความที่ยืนยันว่า เราสนใจกันแต่ในแง่ตรรศดีล้ว น, ล, ว น, น, น, นล้วนด้นด้นไปจนเลยขอบเขตซะแล้วหรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้ต่ําลงมาอีกให้ง่ายลงมาอีกก็เหมือนกับว่าเราจะคิดคน้นใช้วิชาคิดค้นหาสูตรทายต่างๆจนว่าสร้างต้นมะพร้าวขึ้นมาได้ใหม่เองเป็นต้นมะพร้าวขึ้นมาใหม่เอง หรือว่าเราจะไปศึกษาวิธีปลูกมะพร้าวที่มันมีพันธุ์อยู่แล้วในในในโลกนี้ี่ยให้เป็นมะพร้าวที่งอกงามเร็วมีผลเร็วทันตาเห็นทันใจต้องการอย่างนี้ดีอันไหนมันน่าอัศจรรย์กว่าแต่แล้วว่าอันไหนมันควรจะทํากว่าอันไหนจะเป็นที่พึ่งแกเราได้มากกว่าเี่ยเราสนใจในแง่ทฤษฎีเลยขอบเขตอย่างนี้ถ้าดู ข้อแท็จจริงเราจะเห็นได้ทันทีว่าเราหลงเคร่งวินัยเคร่งวินัยมากเคร่งในลักษณะที่กวดกันอย่างยิ่งได้ด้วยถ้าเราก็หลงท่องพระสูตรท่องจำได้มากพูดได้มากแล้วก็เราก็หลงถกธรรมะาชั้นลึกชั้นปรชัชญาหรือชั้นอภิธรรม ส่วนที่เป็นทฤษฎีทางหลักวิชานั้นเราแบ่งเป็นพระวินัยพระสูตรพระปรมัาทหรืออริธรรมในส่วนวินัยเราก็พยายามหลงเคร่งในส่วนพระสูตรเราก็พยายามหลงสวดท่องบน่นในส่วนปรมัาทอริธรรมเราก็หลงถกเถียงกันนี่ <c oughs> มันเป็นมากจนถึงกับวว่าลืมลืมดูธรรมะที่เนื้อที่ตัว ลืมทำเนื้อทำตัวให้เป็นธรรมะธรรมชาคิทำอย่างนี้ก็ขออภัยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้โปรดรับฟังไปพิจรารณาจนลืมจะทำธรรมะให้มีอยู่ในเนื้อในตัวหรือทำเนื้อทำตัวให้เป็นธรรมะเนี่ยลืมไปแต่ไปหลงเคร่งวิ น, นัยหลงท่องพระสูตรหลงถกอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือว่าอุปสรรค แกการเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นอย่างยิ่งเลยในที่สุดกลายเป็นเพียงทำอย่างตามๆกันไปหมดจนกล่าวว่าเราถือศาสนากัน เ, เหมือนอย่างลูกปูที่มันเกิดมาเป็นปูแล้วมันก็ต้องเดินอย่างแม่ปู <c oughs> ดังนั้นจึงไม่ต้องการที่จะเข้าใจ เราถือศาสนากันอย่างลูกปูจึงไม่ต้องการจะเข้าใจไม่ประสงค์จะเข้าใจโดยแท้จริงและสมบูรณ์เราถือศาสนากันในลักษณะที่ทำการฆ่าเช่นนิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์ชฤิดว่าสนใจธรรมะเป็นเป็นเป็ น, ปนการสนใจธรรมะจะเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นไม่ได้แต่ว่าการถือศาสนา ที่จะไถือศาสนาหรือว่าถือธรรมะตามธรรมเนียมประตามนี่เป็นอย่างนั่นได้เป็นอย่างลูกกูก็ได้เป็นอย่างการทำการค่าชนิดหนึ่งก็ได้นี่สรุปความว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเสนใจธรรมะกันแต่ในแง่ของทรริตตีแล้วก็ต้นดันออกไปเลยขอบเขตของความจำเป็นจนกระทั่งว่า พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนั่นเองมากลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเนิ่นช้าทวงเวลาให้แกเราไปเสะในการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ข้อเท็จจริงข้อนี้อาจารย์ชุด ฤ, ฤิ์มีความเห็นอย่างไรมาขอร้องให้ช่วยอภิปรายครั้งหนึ่งก็ <c oughs> เห็นอย่างได้ท้าว่าแล้วครับกอจะพูดอย่างนี้ผมก็เห็น้วยทุกที คือเท่าที่ผมความเข้าใจของผมเองผมเห็นว่าเหตุของปัญหาต่างๆที่ในเท่าในกรุณ า, ากล่าวมานั่นมันอยู่ที่ว่ามันมาจากความขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์ว่าเราศึกษาธรรมะเพื่ออะไรและเรารู้ธรรมะเพื่ออะไรคือคนทั่วไปไม่ไม่ได้สนใจในแง่เหล่านั้นมักจะเข้าใจบางทีก็ง่ายเกินไป เป็นต้นว่าเข้าใจประศา ส, สนาทุกศาสนามีวัตถุจะเพียงว่าจะสอนให้คนทำดีเพราะฉะนั้นก็ศาสนาเหมือนกันหมดนับถือศาสนาไหนก็ได้หรือมิฉะนั้นศาสนาเอามารวมกันเป็นศาสนาเดียวซะก็ได้มีมีอยู่มีความเข้าใจอย่างนี้อยู่เวลานี้แล้วก็ถึงกับประชุมกันแล้วอะไรกันแล้วคล้ายๆก็ว่ามันก็ไม่มีความสำคัญอะไรศาสนานก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือสั่งสอนให้คนทำดีเท่านั้นจะไปนั่งแตกต่างกันอยู่ทำไม ใคมาชวนไปประชุมที่ไหนก็ประชุมร่วมศาสนาก็ได้ซึ่งนี่พมก็รู้สึกว่าแสดงให้เห็นว่ามคนเรายังขาดความเข้าใจในธรรมะอยู่มากแล้วก็ไม่ไม่เชื่อไม่ไม่เข้าใจว่าเราศึกษาธรรมะนั้นเพื่ออะไรหรือรู้ธรรมะเพื่ออะไรและด้วยเหตุนี้เองเมื่อขาดความรู้ในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแล้วเมื่อไปจับธรรมะเข้าก็ไปถือเอาตัวสิ่งซึ่งความจริงเป็นอุปกรณ์มาเป็นสิ่งที่แท้จริง คือไปเจ้าเข้าใจผิดว่าพระสูตรก็คือธรรมะ เ, เมื่อเรียนพระสูตรก็จะต้องท่องจำให้ได้แล้วก็งอกมุ่นไปในทางท่องจำอย่างที่จะเท่าว่า เ, เมื่อถือศีลก็พยายามถือศีลแข่งแข่งกัน เ, เพื่อจะให้เห็นว่าใครเก่งกับกันหรือมิฉะนั้นก็กลับไปอีกทางหนึ่งทาไมสามารถจะรักษาศีลให้แข่งได้ก็ไม่รักษามันเลยอ้างว่าเรียนพระอภิธรรมดีกว่าลึกซึ้งกว่า ถ้าชำนาญทางปรมัตา์แล้วไม่ต้องถือศีลก็ได้กินข้าวเย็นก็ได้ฉันนั่งวิปัสสนาแข็งฟังทุกทีนีอ่อย่างนี้ก็มีมันก็มันก็ไปกันหย่อนกันไปคนละทางไปคนละทางแล้วก็ศึกษาพระอภิธรรมก็เพื่อจะได้เรียนศัพท์สูงๆเรียนนับจํานวนจิตกี่กองอะไรกี่กองมีจํานวนเท่าไหร่ว่ากันเป็นจํานวนจํานวนนับมามาคุยกันเล่นว่าอะไรมากอะไรน้อย อ, อย่างนี้ ผมก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องศึกษาพระอภิธรรมเพื่อพระอภิธรรมศึกษาพระสูตรเพื่อพระสูตรรักษาศีลเพื่อศีลมันไม่ใช่เพื่อธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งควรจะเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่เราขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นก็การที่จะศึกษามันก็ผิดพลาดไปได้มากตลอดจนชีวิตประทับในชีวิตประจําวันเมื่อเรายังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของธรรมะ เราก็ไม่เราก็เอาธรรมะวางไว้เป็นที่ที่ไม่ได้ทําให้ธรรมะเข้ามาแทรกซึมอยู่ในตัวไม่เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของสถานที่เป็นต้นว่าไปวัดก็ควรจะไปพูดกันเรื่องธรรมะควรจะไปฟังพระท่านแสดงธรรมแล้วก็ไปถือศีลออกจากประตูวัดก็หมดแล้วภาระที่รับศีลไว้ส่วนว่าธรรมะ หรือข้อความแห่งธรรมะที่จะสอนให้รู้ซึ่งมีอยู่ครบถ้วนในชีวิตประจาวันถ้าจะมองโลกมองชีวิตทุกวันด้วยสายตาแห่งธรรมะแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันธรรมะนั้นเป็น เ, เป็นเครื่องช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้เสมอไม่ว่าจะมองอะไรในชีวิตหรือการงานทุกวันของเรานั้นถ้ามองด้วยธรรมะเอาธรรมะเข้ามาประกอบอยู่เรื่อยให้ธรรมะอยู่ในตัวเราแล้ว หรือดูธรรมะจากตัวเราแล้วความพ้นทุกข์มันก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราเราจะมีจิตใจที่สามารถจะปลดเรื่องทุกข์จากตัวได้วันละเล็กวันละน้อยเรื่อยไปผมเข้าใจว่าอย่างนี้แต่เพราะเหตุว่าเราขาดวัตถุประสงค์เราเน้ว่าเข้าวัดเพื่อเอาบุญเรียนศาสนาเพื่อจะได้เป็นคนดีแต่จะดีอย่างไรก็ไม่ทราบตลอดจนกระทั่งทำบุญหรือทำดีเพื่อหวังผลดีเป็นตนวัด <c oughs> เป็นข้าราชการก็ทําดีเข้าไว้เพราะอยากได้เงินเดือนขึ้นอยากได้ตําแหน่งที่สูงนึกว่านั่นเป็นความดีที่ควรจะตอบแทนความดีแต่เมื่อไม่ได้เขาแล้วก็โธมานัดเสียใจไม่มีอะไรจะหักห้ามได้บางทีก็เลยเลิกทําความดีเอาเลยเหล่านี้เพราะเหตุว่าขาดความเข้าใจในประการแรกในความหมายของธรรมะประการที่สองในวัตถุประสงค์ของของธรรมะและประการที่สามไม่เข้าใจโดยซ้ำว่าความดีในธรรมะนั้นหมายความว่าอะไร ถ้าหากว่าจะสอนทันมา ก, กันต่อไปผมเห็นว่าควรจะต้องสอนกันให้มันถูกหลักคือว่าควรจะตั้งขึ้นมาซะก่อนว่าในศาสนาพุทธในความดีคืออะไรประการที่สองเมื่อความดีคืออะไรแล้วอะไรคือความดีสูงสุดในศาสนาพุทธเป็นสา ม, มัญบริหนมเพราะฉะนั้นอย่างนั้นถ้าเราไม่สอนอย่างนั้นเราไม่สามารถจะวัดความดีได้ทุกวั น, นีนศาสนาพุทธสอนตัวใบคนทาดีทาดีแต่ไม่มีไม่บรทัดวัด ไม่รู้ว่าความดีคืออะไรดีอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีแล้วดีได้แค่ไหนกว้างยาวแค่ไหนไม่มีใครสอนคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจความดีผิดนึกว่าความดีคือวัตถุที่จะมาตอบแทนนึกว่าเป็นสวรรค์วิมานนึกว่ า, เ, าเป็นชื่อเสียงเกียรติยศนึกว่าเป็นสายสะพายนึกว่าเป็นรถยนต์คันใหญ่ๆนึกว่าเป็นเงินจํานวนมากแล้วก็เมื่อเกิดเทศในชีวิตขึ้นให้เห็นว่าของเหล่านั้นไม่ใช่ความดีเป็นของที่จะพามาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมความเสีย หายต่างๆเห็นกันอยู่ตามตา ก, ก็ไม่มีใครเชื่อทั้งหมดนี้ก็เรื่องของความไม่เข้าใจในธรรมะอย่างที่ท้าได้กล่าวมาแล้วแล้วก็เรื่องไม่เข้าใจวัตถุประสงค์มีผมก็มีความเห็นอย่างนี้ที่มายังข้อใจอยู่ข้อข้ อ, ข, อข้อสุดท้ายนี่ว่าเมื่อเมื่อเขวหรือเฉหรือเฟอร์ออกไปมากอย่างนี้แล้วมีหวังอยู่บ้างไหมที่ว่าเราจะทำความเข้าใจเกเข้า ให้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องได้แล้วเพื่จะได้ตั้งต้นด้วยดีต่อไปเอาเนี่ท่านถามผมจะแล้ว่ะมาถามก็นี่ความจริงกระผมก็อยากจะกราบเรียนว่าเป็นเป็นเรื่องของไถ่ท้าวครับเพราะไถ่ท้าวเป็นสมณะกระผมเองน่ะไม่เป็นไรผมเป็นคารวาะปัจจักตังเวสิฏตโพอ่อผมรู้ด้วยตนของกรผมเองผมพอแล้ว ผมไม่มีหน้าที่จะไปสอนใครใครจะทําอะไรก็ทําใครจะใครจะอะไรก็อะไรแล้วผมไม่ต้องไปสอนเพราะเหตุของผมไม่ใช่พระผมไม่ใช่สมณะผมไม่มีหน้าที่ประกาศทาสอนตทำผมบวชประเดี๋ยวเดียวแล้วก็สึกออกมาแล้วต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมเองสิจะทำพระนิพพานให้แจ้งแกตัวของผมเองเท่าที่ผมเห็นว่าควรจะเป็นแล้วถ้ามันทําได้ผมก็พอใจส่วนใครจะตกนโกหมกไมไหมยังไงผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมก็อยากจะกราบเรียนถามว่าแท่ามีหน้าที่ จะทำพระนิพพานให้แจ้งกับผู้อื่นได้เท่าจะทำยังไงทานมากข อ, อ, ข, อขออย่งงนีน้ถึงว่ า, า, าท่านอาจารย์คริ์รู้จักโลกรู้จักประชาชนรู้จักสังคมกว้างขวางพอจะมองเห็นว่าสังคมที่เชหรือขวยหรือเพ้อไปมากอย่างนี้เรามีทางที่จะทำความเข้าใจกับเขาได้จนสนใจธรรมะถูกทางนี่ได้หรือไม่ ก็นี้มันก็ไอ้ทางนันต้องมีเสมอครับก็หรืออย่างน้อยก็ต้องมีความหวังผมเห็นว่าคนทุกวันนี้สำหรับระบบการศึกษาทั่วไปก็น้อมนำใจคนให้มองเหตุมองผลมากยิ่งขึ้นทุกวันการเชื่อถือเลื่อมใสไปในสิ่งที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยเหตุผลได้นั้นก็ออกจะมีน้อยลงทุกวันเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะมีองค์การใดหรือวงการใดในพระศาสนา ที่ควรจะตั้งสิ่งซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าดอกมม้ขึ้นมาเสียทีหนึ่งว่าเรานับถือพระศาสนาพุท ธ, ธพุทธศาสนานี่เรานับถือเพื่ออะไรประการที่นึ่งเรา n ับถืออะไรเป็นประการที่หนึ่งทุกวันนี้แค่จะนับถืออะไรเราก็ไม่แน่คนที่อ้างว่านับถือศาสนาพุทธนะ่ะนับถือตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจออ้าพ่อขุนอูไปจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คืกรีนับถือได้หมด นี่ประการแรกเราก็ไม่รู้นับถือพศาสนาเนี่ยจะต้องนับถืออะไรประการที่สองนับถือเพื่ออะไรเชิดชกไทยแลนด์ก็ไม่ได้บอกนั่งเฉยดชกให้อย่างนั้นอนะ่ะไปถามท่านองค์นี้ท่านองค์ที่บอกว่านับถือเพื่ออย่างนี้ไปถามองค์โน้นบอกว่าเพื่ออย่างนั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของศาสนาเรามีมากเหลือเกินจนเอาเป็นยุติไม่ได้แล้วแต่วัดแล้วแต่คณะแล้วแต่กติแลแ้ว แ, แต่สะบงคนหลับหืนต่างคนต่างจะสอนกันไป เอาเป็นแน่ไม่ได้ถามใครใครพูดอย่างโง่ถามคนนี้คนพูดอย่างนี้ก็ผมตะกอนเคยคิดว่าจะพึ่งพระสงสัยอะไรก็ไปถามพระยิ่งคบกับพระมากยิ่งเห็นว่าความเห็นแตกแยกกันมากผมก็ไม่ทราบจะทํำยังไงแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเลือกที่รักมักที่ชังทุกวันนี้ก็ได้จะนับผือถือพระโดยไม่ถามท่านเห็นท่านก็ว่ายไปทําบุญไปอย่างนั้นเราไม่ถามอะไรกันแล้วพอถามมาก็ปวดศีรษะทุกทีไม่รู้จะเอาบรรยุติที่ไหนได้แน่ท่านพูดแตกต่างกันไปหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องที่สองที่ว่าจะต้องตั้งหลักทัทีว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพื่ออะไรตลอดจนต่อไปก็วางหลักลงไปด้วยบอกที่เรียกว่าความดีคือความดีอะไรอะไรเป็นความดีสูงสุดที่เรียกว่ารู้ศาสนาพุทธรู้อย่างไรถึงจะถือว่าเป็นความรู้แล้วจะตลอดจนในสุดก็จะต้องสอนด้วยสอนหลักสําคัญที่สุด คือความรู้ที่สำคัญที่สุดที่พระท่านเรียกว่าหรือในท้าเรียกว่ า, ากัตตยานคือรู้ว่าทำตัวในทำหน้าที่ของพุทธมามะกะแล้วนะ่ะมีเขตไหนเป็นจุดจบคือสาเร็จที่ตรงไหนทุกวันนี้ไม่มีใครบอกนั่งทำเกือบตายก็ไม่รู้ว่าทำแล้วหรือยังขึ้นตนคือไม่รู้กิจยานไม่รู้กัตตยานไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาแค่นั้นก่อนพอมั้งให้นเข้าใจเหตุผลพาะว่ามีฉัง ที่จะสอนกันได้แต่ต้องเป็นคนที่มีที่ฝรั่งเรียกว่า authority แล้วเมื่อถืออย่างไรควรจะถือเหมือนกันสถทีหนึ่ง <c oughs> ไอ้ไอเรื่องแปลศีลผิดกันเข้าใจผิดกันผมไม่ว่าแล้วนะั่นเป็นเสรีภาพบุคคลจะเชื่อถือแต่ในหลักทฤษฎีของพระพุทธศาสนากว้างๆที่เรียกว่าวงการศาร ส, สนาซึ่งผมอยากจะขอพูดเน้นให้เข้าใจคือถ้าแปลเป็นฝรั่งจะต้องเรียกว่า church of Thailand นั้นนะ่ะควรจะมีด็อกมาเสียทีแล้ว ควรจะมีทฤษฎีควรจะมีควรจะเป็นที่พึ่งของคารวะคือเขาถามอะไรให้ตอบตรงกันได้ในในหลักการใหญ่ๆแล้วว่าเข้าวัดไหนให้ได้คําตอบเดียวกันซะก่อนตะครับเท่านั้นแนะ่ะพอเวลานี้แต่ละวัดเข้าไปไม่ตรงกันสักวัดหนึ่งผมก็ไม่ทราบจะทํำยังไงอย่างไปผมไปสวนโมกไปกราบเรียนถามท่านว่าทาบุญอย่างไรผมเดาได้ผมไม่เคยไปถามท่านก็คงบอกว่าทาบุญเพื่อเพื่ อ, อ, อขจัดกิเลส เพื่อความรอดพ้นผมไปโน่นขึ้นไปเชียงใหม่เผอิญเข้าวัดอีกวัดนึงไปถามหลวงพอ่อองค์อื่นเข้าท่านก็ตอบว่าทำบุญสียมเสร็จแล้วขึ้นสวรรค์ได้บีมานสูงทั้งเจ็ยดยอดสิบยอดตักบาตรพระเข้ า, าพระทีเดียวตายไปเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าเป็นบริบาลแปดหมื่นสี่พันค่ากําไรเกินควรสายผมก็ให้อย่างนั้นนี่ตอบไม่ตรงกันนียครับแล้วก็ผมก็เลยไม่รู้จะเชื่อทางไหนในสุดผมก็ต้องตั้ง ตัวเองเป็นเชิชกไทยแลนด์สำหรับตัวผมเองตั้งหลักศาสนาตั้งดอกมาผมขึ้นมาเองเวลานี้ผมจะเรียกผมนับถือศาสนาใหม่ก็ได้เป็นศาสนาพุทธที่ผมกำหนดตัวเองตามคาวามเข้าใจของผมเองแลวผมก็นับถือผมคนเดียวไม่สอนให้ใครทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ที่เป็นนั้นว่าเรา <c oughs> มีหวัง <c oughs> <c oughs> ที่ว่า เราจะพยายามเราจะต้องทำความเข้าใจในหลักทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาออหรือเกี่ยวกับคำว่าธรรมะนี่ให้ถูกเลยให้ตรง เ, ออเป็นอันเดียวกันเสียก่อนในวงพุท ธ, ธบริษัทเราแล้วเราก็ประสบปัญหายุ่งยากอย่างอาจารย์คริตว่าที่ว่าแต่ละสำนักหรือแต่ละคณาจารย์นี่มักจะเพ่งเล็ง ไปในแง่ใดแง่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตามความเห็นของตัวและยกขึ้นเป็นอหลักหรือเป็นหัวใจของธรรมะก็ทําความลําบากให้แก่สังคมท่านหัวข้อก็เราที่มีอยู่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายนีย่ควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรนี่ยก็นับว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะสมแล้วก็จะ ม, มา ก็จะถือโอกาสกล่าวอเนื้อหาของเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายที่ควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร <c oughs> เกี่ยวกับข้อนี้ตอตมาขอชักชวนให้เอสนใจกับคําว่าธรรมะคานี้อการอีกครั้งหนึ่งธรรมะต้องคําว่าธรรมะนี้ให้สูงยิ่งขึ้นไปคือให้เข้าใจแต่ต้นอจนตลอด จริงๆแต่ว่าข้อแรกที่สุดนี่อมาขเขากาสตรงนิดหนึ่ง <c oughs> ที่จะขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันในหลักที่จะกล่าวนี้ก่อนว่าให้ธรรมะที่อาจจะเอามาอธิบายหรืออภิปรายแก่กันและกันได้นั่นนั่นยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริง ยังไม่ใช่ธรรมะที่สูงสุดเนี่ยขอย้ำ อ, อ, อีกไอ้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะที่อาจจะเอามาอธิบายหรือมาอภิปรายแก่กันและกันได้นั่นธรรมะนั้นยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงและสูงสุดไอ้ธรรมะตัวจริงและสูงสุดนั่นสุดพิสัยเหลือพิสัยที่จะเอามาพูดหรือมาอภิปรายได้ในบทที่เรียกว่าเฉพาะตนเป็นสิ่งที่มีลักษณะ ในลักษณะที่เรียกว่าปัจจัตตังคือเฉพาะตนเหมือนกับว่ารสหวานรสเค็มนี่ไม่อาจจะเอามาอภิปรายให้คนเข้าใจมันได้นอกไปเว้นแต่ว่าให้เขาชิมมันจริงๆนันจึงถือว่าไอธรรมะที่อาจจะเอามาพูดได้อภิปรายได้นี่ยังไม่ใช่ธรรมะแท้จริงระสูงสุดน้มาขอให้ทายาทฤท เคยวในิจอัยหลักที่ว่านี่อีกทีหนึ่งว่าว่ามันเป็นจริงอย่างนี้หรือควรจะมีหลักอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนี้พผมไม่มีความสงสัยและก็เชื่ออย่างที่จะท่าว่าคือว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่ผู้ใดได้ประสบแล้วก็ยอมจะอธิบายไม่ได้เพราะธรรมะขนาดนั้นเป็นธรรมะที่เกินคําพูดของมนุษย์เป็นธรรมะที่หาอะไรเปรียบเทียบก็ไม่ได้แล้วก็เป็นธรรมะที่ เกว้างขวางเกินกว่าใจกายวาจาของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขต จ, จำกัดะจะแสดงออกมาได้เมื่อผู้ใดบรรลุถึงธรรมะขั้นนั้นแล้วก็เป็นธรรมดาย่อมจะแสดงไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะถึงธรรม ะ, ะอออขั้นนั้นมันก็จําเป็นจะต้องปูพื้นต้องวางแนววางทางอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้ว ถ้าเรายังเมตตาต่อคนอื่นอยากที่จะให้เขาถึงธรรมะเช่นนั้นก็จะต้องวางแนวทางให้เขาปฏิบัติหรือสอนธรรมะที่ถึงจะไม่ใช่ธรรมะแท้แต่ก็เป็นธรรมะที่จะนำไปถึงธรรมะแท้อย่าไปสอนธรรมะที่จะนำให้ห่างออกไปเลยอย่าไปสอนธรรมะที่จะที่จะเป็นก่อสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นกำแพงขวางกัน้นก็อย่างที่กระผมได้พูดมาแล้วในตอนต้น ว่าถ้าจะสอนธรรมะธรรมะเอ่อผมก็เชื่อว่าธรรมะแท้นะั้นมันสอนกันไม่ได้แปล ว, ว่าธรรมะที่ถึงจะไม่แท้ก็ควรจะคัดเลือกว่าเป็นอุปสรรคต่อธรรมะแท้หรือไม่ถ้าที่เราสอนไปเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาอุปาทานแ ล, แล้วเหล่านั้นเป็นอุปสรรคเราไม่ควรจะสอนเราควรจะสอนธรรมะที่สอนได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อธรรมะแท้ซึ่งสอนไม่ได้เห่านั้นเป็นนั้นว่าธรรมากับอาจารย์คริสต์มีความรู้สึก ตรงกันในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันหรืออภิปรายกันอแต่ในธรรมะแต่ธรรมะในส่วนที่เออาจจะพูดได้หรืออภิปรายได้ทีนี้เราจะเ อ, อจะจะพิจารณากันในความหมายของคําว่าธรรมะให้เป็นที่ยุติเสีทีว่าธรรมะอันไหนกันแน่ที่ควรแล้วเดี๋ยวนี้ควรแล้วที่จะ ทำความเข้าใจให้เกิดความสนใจและมีการปฏิบัติในที่สุดเพื <c oughs> ่อจะย่ำเพื <c oughs> ่อจะย่ <c oughs> ายกันลืมด้วยพรอมกันในตัวขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าธรรมะไปตามลําดับดังนี้สักสามขั้นคือว่าข้อแรกที่สุดหรือข้อที่หนึ่งนั่น <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็คือสิ่งทั้งปวงใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรหมดจะเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นนามรธรรมเป็นตัวการกระธรรมผลของการเกริดธรรมจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะเที่ยงแท้ท้าบอหรือไม่เที่ยงแท้ท้าบออะไรก็ตามสิ่งทุกสิ่งนั่นแหละคือธรรมะ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> เลื่อนขึ้นมาขั้นที่สองก็คือว่าสิ่งทุกสิ่งนั้นเหล่านั้นมีกฎเกณฑ์ในตัวมันเองประจําตัวมันเองดังนั้นกฎของสิ่งทั้งพวงมีประจําอย่างสิ่งทั้งพวงนั้นก็คือธรรมะเราจึงเห็นได้ว่าไอ้ธรรมะข้อที่หนึ่งไอ้ธรรมะพวกที่หนึ่งธรรมะที่แรกนั่นหมายถึงธรรมชาติ เรียกว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรหมดแม้แต่พระนิพพานก็จัดว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งถ้ายังไม่ทราบก็ข อ, ขอให้ทราบไป ด, ด้วยว่าทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรตามหลักในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าธรรมชาติหมดและเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าธรรมพระนิพพานเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เที่ยงแท้ท้าวอนหรือไม่ประกอบด้วยทุกในทุนองนี้ แต่ก็ยังเรียกว่าธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องพูดถึงในสิ่งสามัญสิ่งสามัญทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมชาติฉะนันจึงกล่าวว่าธรรมะข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติที่นี้ธรรมะพวกที่สองก็คือกฎของสิ่งทั้งปวงซึ่งใ้ที่นี้เราเรียกสัส้นๆว่าธรรมดาธรรมตาหรว่าความเป็นธรรมะรือความเป็นธรรมชาติ นี่เรียว่าธรรมดาก็ได้หมวดที่หนึ่งคือธรรมชาติแด้แก่สิ่งทั้งปวงหมวดที่สองคือธรรมดาได้แก่กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงทีนี้หมวดที่สามธรรมะก็คือหน้าที่ที่จะต้องกระทาต่อกันระวางสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้โดยผาสุขอันธรรมานี้ก็คือหน้าที่ ในหมดที่สามนี่ก็คือหน้าที่ที่สิ่งทั้งปวงจะต้องประพฤติต่อกันและกันรวมทั้งต่อตัวเองด้วยเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกและถึงที่สุดของความผาสุกนี่มาขอากล่าวยืนยันว่าเท่าที่ได้สอบสวนศึกษาค้นคว้าอะไรมาทั้งหมด <c oughs> จับใจความของคําว่าธรรมะได้เพียงสามความหมายนี้เท่านั้นความหมายที่นะมหนึ่งคือธรรมชาติทั้งปวง ความหมายที่สองคือธรรมดาของธรรมชาติเหล่านั้นความหมายที่สามคือหน้าที่ที่สิ่งเหล่านั้นจะพึงประพฤติต่อกันและกันจนไม่มีความทุกข์ทีนี้สรุปทั้งสามสิ่งทั้งสามหมวดทั้งสามข้อนี้ว่าธรรมะคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติหรือต้องมีเพื่อไม่ให้สิ่งทั้งปวงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา เน่ขอยนุาตอีกว่าธรรมะนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติและต้องมีเพื่อไม่ให้สิ่งทั้งปวงเอเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เป็นการกล่าว อ, อตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่ า, าศาสนาคือมุ่งหมายเอจะกล่าวเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้นเองแต่ตามความมุ่งหมายของพระ ศ, ศาสดาผู้สอนสาศาสนา แต่ถ้าเราจะกล่าวกันในแง่ของอวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาหรือปรัชญาหรืออะไรเท่า น, นั้นล้วยังกล่าวอย่างอื่นโดยโวหารอื่นอีกมากมายจนจนจ น, จนปั่นเผือไปในที่สุดที่ขขอกล่าวสัน้สนๆแต่เพียงว่าธรรมะคือสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องปฏิ บ, บัติและต้องมีเพื่อให้สิ่งทั้งปวงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นและในที่สุด <c oughs> เราจะพบว่า การกระทํานั้นไปสิ้นสุดเอลงตรงที่ว่ามีธรรมะเนี่ยก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นเนี่ยชักจะงงงงกันขาบางก็ได้าไอ้ที่มีธรรมะจริงมีธรรมะชั้นสูงสุดนั่นก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นว่าธรรมะคือตัวเราธรรมะนั่นคือของเรา แล้ว่าจับความคิดหรือความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราเสียหมดในสิ่งทั้งปวงในกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงแม้กระทั่งในหน้าที่ที่เราประพฤติต่อสิ่งทั้งปวงหรือว่าผลที่เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติตั้งนี้เราก็กลายเป็นผู้ที่มีจิตว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือมีของเราที่ยึดมั่นถือมั่นไหวโด้วยอุปาทานนั่นคือธรรมะ ที่ไปจนถึงที่สุดเราต้องเข้าใจธรรมะถึงขั้นนี้จึงจะเอาตัวรอดได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดหรือว่ายังต่ำเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสมพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจธรรมะถึงขณะที่มีธรรมะมีธรรมะคือไม่มีอุบาทานยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแม้ในตัวธรรมะเอง หรือแม้ในมรรคผลนิพพานที่จะพึงได้นี่แหละมันจะยากหรือง่ายจะสั้นหรือยาวจะลึกหรือตื้น อ, อย่างไรก็ขอได้โปรดพิจารณาดูด้วยความระมัดระวังแต่เมื่อให้เมื่อเมื่อเมื่อเมื่ อ, อ, อต้องการให้นามากล่าวว่าธรรมะคืออะไรหรือมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรแล้วต้องเป็นอย่างนี้แลนามาก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ จึงจะประหยัดเวลาและเข้าใจธรรมะได้ทันแก่เวลาจนสามารถที่จะเดินถูกทางของธรรมะได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะต้องเอต้อ ง, อ ง, องอแกวงไปแกวงมาไปอีกนานบางทีจะตายเสียก่อนก็ได้กว่าจะเข้าใจธรรมะได้ที่สรุปความว่าเกี่ยวกับธรว่าธรรมะนี่คือที่แรกให้เล็งถึงสิ่งทุกสิ่งก่อน และถัดมาให้เล็งถึงกฎเกณฑ์ที่ประจำอยู่ในสิ่งทุกสิ่งและถัดมาให้เล็งถึงหน้าที่ที่สิ่งทุกสิ่งจะพึงประพฤติหรือจะต้องประพฤติหรือควรประพฤติในกระทต่อกันและกันในระหว่างกันและกันเพื่อทำความทุกข์ให้หมดไปหรืออยาให้เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติและต้องมี และเมื่อมีธรรมะถึงขั้นสูงสุดแล้วก็คือความไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือของเราและเราเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเรามีจิตว่างเพราะมีธรรมะสมบูรณ์หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ทาที่กล่าวนี้ท่านอาจารย์คือรีดมีความเห็นอย่างไรขอช่วยอภิปรายด้วย แม้ผมไม่มีความเห็นครับก็เห็นตามที่ทิชาว่ามันมันไม่รู้จะแสดงอะไรเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นก็ที่พยายามที่จะพูดมาก็เพื่ออยากจะให้คนเข้าใจอย่างนั้นคือว่าธรรมะก็ก็เป็นอย่างที่ทิชาปรินาได้ว่ามาขึ้นตนมันก็แปลว่าเนเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเราเห็นไม่ว่าจะนอกวัดในวัดที่ไหนแม้แต่พระนิพพานเองก็เป็นธรรมะทั้งนั้นประการที่สอง ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันต้องมีกฎเกณฑ์ในตัวของมันเองกฎเกณฑ์สําคัญกฎไจรักแล้วมะมันก็ต้องบ้างอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับและประการที่สามของทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน้าที่ต่อกันและกันเอาอย่างต่าถ้าเราจะอยู่กับคนเราก็ต้องรู้หน้าที่ที่จะปฏิบัติกับคนอื่นถึงจะอยู่ได้ด้วยความสุขแต่ว่า แคนั้นมันก็เป็นอย่างตามพยายามสูงขึ้นไปอีกก็ต้องพยายามทําหน้าที่ต่อตัวเราเองจนจะถึงในความผาสุขที่สูงสุดแต่ความผาสุขที่สูงสุดนั้นก็ในท่าบในกล่าวมาแล้วคือว่าได้แก่การหมดอุปาทานไม่มีอุปาทานแม้แต่ในธรรมะนั้นๆมันก็เท่านี้ทีนี้ทำงางจะให้เขาเชื่อได้ก็เป็นว่าอรรมาก็ตามอาจารย์ชริตก็ตามายืนยันในขอ้อเดียวกันว่า รมคือสิ่งนี้คือของอย่างนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์ครึงอาจจะพูดจะอธิบายด้วยวหารธรรมดาง่ายๆได้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดที่จริงอาจจะพูดด้วยวหารธรรมดาให้ท่านธรรมเข้าใจอย่างธรรมดาได้ยิ่งกว่าธรมะอีกท่านขอให้คอยฟังให้ดีว่าธรรมะข้อที่หนึ่งคือธรรมชาติ เล็งถึงธรรมชาติข้อที่สองเล็งถึง้กฎธรรมชาติอันที่สามเล็งถึงกิตคือหน้าที่ที่ที่สิ่งทั้งปวงจะพึงทํารู้ปฏิบัติมีธรรมะจนกระทั่งไม่มีอุปาทานในสิ่งใดและเรียกว่ามีจิตว่างที่นี้คำว่าจิตว่างเนี่ยคือประเด็นใหญ่ประเด็นสําคัญที่ตั้งใจจะอภิปรายในวันนี้และถือว่าเป็นการ ต่อจากการอธิบายต่อจากการอธิบายครั้งที่แล้วมานั่นด้วยเพราะเรามาติดข้างอยู่ตรงที่ว่าะจะทำงานด้วยจิตว่างอย่างไร <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านยอมรับว่าคำว่าจิตว่างนี่ไม่ใช่คำเหลวไหลแล้วเป็นยอดสุดของพระพุทธศาสนาเ ป, นเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนา ที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติจนจนใหถึงใหจนได้เพื้อความเป็นผู้มีจิตว่างเนี่ยใหจนได้เราจะต้องศึกษารีบศึกษารื่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดนี้ให้ได้เราจะได้อภิอภิปรายถึงคำว่าว่างทีนี้เราจะมาอยากจะขอขอแทรกแซงข้อคิดอันหนึง่ง ที่สำคัญมากในเมื่อเราจะชวนกันสนใจพุทธศาสนาโดยไม่ประมาทคือโดยเร็วเนี่ <c oughs> อาตมาจะให้ให้ให้ประโยคหรือว่าให้ให้หลักที่ที่จำสันส้นๆแต่จำได้ง่ายๆสันส้นๆ่อนว่ายิ่งตึกษาพุทธศาสนาจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา เนขอขอย้ำเพื่อให้ไม่กํากวมหรือบางชัดอีกทว่าท่านยิ่งศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา <c oughs> และโดยเฉพาะชาวต่างประเทศลองคิดดู <c oughs> ยิ่งศึกษาพุทธศาสนาจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเ <c oughs> พราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาของท่านทั้งหลายโดยมากเล็งถึงแต่หลักวิชาหรือหลักตรรตฎี รวมทั้งพิธีรีตองท่า <c> น <oughs> มาต้องกล่าวชาตโตปีว่าต้องยิ่งศึกษาโลกหรือศึกษาความทุกข์จึงจะยิ่งรู้พุทธศาสนา <c oughs> ยิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา <c oughs> แต่ถ้ายิ่งศึกษาโลกหรือยิ่งศึกษาความทุกข์ซึ่งเป็นันเดียวกับโลกนั่นนะก็จะเรียกว่าชีวิตหรืออะไรก็ได้ นั่นจะยิ่งรู้พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านชายทำคำเดียวกันโลกคือทุกทุกคือโลกหรือชีวิตก็คือโลก <c oughs> นี่ขยายความให้ชัดออกไปว่าพระไตรปิฎกก็ดีทั้งหมดนี้ไม่อาจจะช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาหรือเข้าใจธรรมะก <c oughs> ารที่ชาวต่างประเทศมีความเห็นว่าศึกษาพระไตรปิฎกให้หมด ทั้งฝ่ายเทราวาและฝ่ายมหายานแล้วก็ยังแถมศึกษาอวิชาทั้งหมดที่จัดเป็นในอินโดโลยีคือวิชาที่เกี่ยวกับเภศประเทศอินเดียทั้งหมดเลยศิลปวัฒนธรรมปรัชญาศาสน า, าอะไรหมดในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียทั้งหมดอาตมาก็ว่ายิ่งไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนามิแต่จะยิ่งวงเวี ย, ว น, วยนอยู่ในป่ารกปารก่ปาพงอะไรอันหนึ่งเท่านั้น ในที่สุดก็เวียนหัวก็เลิกราไปเองเป็นว่าแต่จะยิ่งศึกษาโลกหรือชีวิตหรือความทุกข์คือตัวเองในขอบเขตที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เท่านั้นะคือเราเนี่ยยาวประมาณวาหนึ่งนะแล้วเราที่กําลังมีชีวิตเป็นๆอยู่เนี่ยที่มีความรู้สึกเอคิดนึกอะไรได้นี่ให้เป็นอย่างมาก <c oughs> ที่เราจึงจะ รู้พุทธศาสนาคือรู้ธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเ อ, อพากันลงเรียนพุทธศาสนาเรียนภาษาปีดกทั้งหมดเรียนอินโดนลเีทั้งหมดและเรียนอะไรอีกอีกมากมายเนี่ยโดยหวังว่าจะรู้ธรรมะหรือจะรู้กับพุทธศาสนาแต่มาว่าแต่ามายืนยันว่ายิ่งทําอย่างนั้นยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาจะยิ่งเข้ารกเข้าพงแล้วเวียนหัวในทิ่สุด ให้คอยศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เนื้อแก่ตัวจริงๆมองดูเข้าไปในเนื้อในตัวจริงๆว่าเราเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมัน่นในวินาทีที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นเราไม่มีความทุกข์เลยออย่างนี้ยิ่งมองมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือธรรมะโดยตรงและโดยเร็วยิ่งขึ้นฐานะเกี่ยวกับ ความกรนี้อาจารย์ชื่อดีมีความเห็นอย่างไรขอขอพิปลายด้วยผมว่าท่านสอนศาสนาอย่างนี้ต้องสอนส อ, นส อ, นคนองคมกับผมดีกว่า <c oughs> คือว่าต้อง <c oughs> ต้องต้องคนไม่ยุดสอนคนไม่ยุดนะครับถ้าพูดอย่างนี้ไปสอนคนที่เขายังยึดเขาจะเข้าใจผิดมีทางเข้าใจผิตอย่างไรโอผิดเยะคือเพราะว่า น, าาานี่หนึ่งจิดว่างท่านบอกว่าจิตว่าความจริงท่านหมายว่าจิตที่ไม่มีอุปาทาน ที่นี่คำว่าจิตว่างมันแปลได้กว้างขวางแล้วเกินมันว่างอะไรอ่านี่ก็น่าจะพูดเชะคือว่าพูดว่าจิตไม่ยุดหรืออะไรอย่างงั้นเพาว่าจะเข้าใจกว่าให้ว่างนะมันแปลว่าอาจจะไม่นึกถึงอะไรเลยก็ได้ท่านบอกว่าทํางานยังไงในเวลาจิตว่างคนธรรมดาเขาที่ยินเขาอาจจะบอกว่าว่างแล้วไปทําอะไรได้มันก็ต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแนวอะไรบ้างนี่ผมก็ก็รู้สึกว่าพูดกัน ถ้าพูดกับผมผมเข้าใจเรื่มสายเข้าใจตลอดไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะพูดไปมันก็ต้องนึกตามไปแต่ว่าสอนคนที่ยังมีอะไรอะไรอยู่บ้างหรือเขาก็ไม่ค่อยจะคุ้นแล้วไม่ค่อยจะสนใจแล้วบางทีก็จะลําบากครับอนอกจากนั้นคําพูดเป็นต้นวเช่นว่ายิ่งศึกษาพระพุทธศาสนาจะยิ่งไม่รู้พระพุทธศาสนานั้นบางทีคนฟังเข้าไม่เคยได้ยินตกใจซะแล้ววิ่งหนีเลยท่านพุทธทาส อ, อะไรมาพูดก็ไม่รู้บาปกรรมอ่า ก็อาจจะทำให้คนหลีกไปได้ไกลเหมือนกันล้วบางทีก็มันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยจะคุ้นหูพูดอย่างนี้ต้องไปสอนญี่ปุ่นคือพูดมันศาสนาเซนเอา่อามันก็ลงบากอีกแล้วคันและผมก็คุณรีคอร์ดประทนโทษสาเรียงกองกองเพราะไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่้ะ แ, แล้วนะตอนนี้คือว่ า, าคื อ, อสองกำลังพิจารณาประกอบกันสองข้อคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้าย ที่ท่านกล่าวว่ายิ่งศึกษาโลกและความทุกข์มากจะยิ่งรู้พระพุทธศาสนาไอ้นี่ผมสงสัยครับคือได้เคยเห็นมามากแล้วคนที่ศึกษาโลกศึกษาความทุกโดยที่ไม่ไม่คำนึงถึงพระพุทธศาสนาเลยนั้นส่วนมากมักจะเข้าใจผิดเลิดไปใหญ่ทีเดียวผมอยากจะขอประทานเสนอว่าคนที่จะศึกษาโลกและความทุก แล้วก็ให้รู้จักโลกและความทุกข์ตลอดจนรู้จักพระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีแนวของพระพุทธศาสนาอยู่ในใจบ้างคืออย่างน้อยก็จะต้องรู้ว่าศึกษาเพื่อให้หมดความยึดถือศึกษาเพื่อให้หมดอุปาทานถ้าคนนั้นมีความยึดถืออยู่ในใจซะแล้วเป็นต้นว่าเชื่อว่ามีพระเจ้าผมว่าศึกษาโลกศึกษาความทุกข์ให้ตายก็ไม่มีวันหลุดพ้นไม่มีข้าใจได้ แต่ถ้าศึกษาโลกด้วยทัศนะของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็จะรู้จักโลกยิ่งขึ้นแล้วมารู้จักโลกยิ่งขึ้นรู้จักความทุกข์ยิ่งขึ้นแล้วก็จะรู้จักพระพุทธศาสนากว้างขวางขึ้นผมว่าอย่างนี้ไอ้ข้อแรกนะผมก็เห็นด้วยถ้ายิ่งศึกษาพระพุทธศาสนาคือศึกษากันอย่างที่เขาศึกษากันทุกวันนี้นั่นจริงก็ไม่มีวันจะจะจ ะ, จะได้ได้รู้จักพระพุทธศาสนาละศึกษามากก็เป็นจบคุณ อ่าได้พัดยศมีป ร, รียนไหลประโยคแต่ก็ไม่แน่ว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนานักแต่ว่าไอ้ไอข้อหลังนี่แหละครับที่ว่าศึกษาโลกและความทุกข์นี่มันต้องมีใจอยู่ในแนวของพระพุทธศาสนาด้วยถ้ายดถืออย่างอื่นแล้วก็ลําบากแน่คือถ้าศึกษาโลกในความหวังว่าโลกนี้จะต้องเป็นสุขยิ่งพบทุกข์ทลายมันยิ่งไม่ได้เห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์มันยิ่งเกิดโทมนัทมันยิ่งเกิดความเครียดแฉนมันยิ่งเกิด แความไม่พอใจแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดทุกข์ได้มันจะยิ่งทุกข์หนักไปอีกถ้าหากว่าเรารู้แนววาพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาโลกในแนวนั้นผมว่าบางทีจะอ่าจะดีกว่าอ่าส่วนเรื่องพระไตรปิฎกที่ศึกษาแล้วไม่อาจจะช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้นั้นผมไม่พูดแล้วครับพูดไปเดี๋ยวคนก็จะมาดามาา่าผมหยาบหยาคายๆอีกเขาเคยด่ามาแล้วเออมาพอใจเออที่ได้ พบข้อเออท็จจริงอย่างอาจารย์ทิศว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองลองลอ ง, ลองฟังและลองพิจรารณาดูว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพวกเราชาวไทยพุทธบริษัทชาวไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรในกรณีที่เกี่ยวกับการศึกษาและการรู้พุทธศาสนา <c oughs> ทบทวนมาตั้งแต่ต้นหน่อยก็คือว่าคําว่าจิตว่างนั่นจะมาจะ จะจะอธิบายต่อไปในโอกาสถัดไปนี้ <c oughs> ขอให้รอไว้ประเดี๋ยวที่ข้อที่ว่ายิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> น้ายความว่ามันยิ่งทำให้หลงไหลในในความรู้ในรสอร่อยของความรู้ ในรสอร่อยของความคิดความนึกของการใช้เหตุผลทางปรัชญาจิตวิทยาอะไรมากขึ้น <c oughs> และที่ว่ายิ่งศึกษายิ่งไม่รู้พุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาในที่นี้เราไม่หมายถึงความรู้ <c oughs> แต่เรามาถึงตัวธรรมะแท้ที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ที่เกิดขึ้นแล้วทำลายความยึดมั่นถือมั่นยิ่งศึกษาพระไตรปิฎก ก็ยิ่งสนุกจนคนโบราณยุคหนึ่งเรียกพระไตรปิฎกว่านางฟ้าวานีเรียกวานีอะไรว่านางฟ้าทั้งสวยทั้ ง, งอะไรสารพัดอย่างเป็นที่ลุ่มหลงของนักศึกษาสามารถจะผูกรัดจิตใจของนักศึกษาให้มัวเมาในานางฟ้าเ <c oughs> นี่ยได้เนี่ยมาเคยประสบมาแล้ว <c oughs> ให้วิชา อินโดโลยีที่พวกฝรังเขามักจะพูดว่าต้องเรียนก่อนจึงจะรู้พุทธศาสนานั้นสมาเห็นว่ายิ่งไปกันใหญ่ยึ่งออกไปวงกว้างออกไปใหญ่ไม่เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาตัวที่เขาเข้าใจว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของอินเดียศาสนาหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมอินเดียความคิดนึกของชาวอินเดียปรัชญาของชาวอินเดียแล้วศึกษามันให้หมดแล้วจะจับจุดได้ที่ ามาอย่างยืนยันว่ายัางไม่มีหวังโดยเฉพาะชาวต่างประเทศถ้าอยากจะรู้พุทธศาสนาเร็วๆรวบรัดแล้วก็มาทำตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้อย่างที่เรียกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยแต่เขาให้เป็นวิปัสสนาจริงอย่าเป็นวิปัสสนาอยากส่วนมากที่เป็นอะไรออกไปแต่แล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะอาจารย์กริชห้ามแต่แล้ว แล้วก็รู้กันอยู่ดีแล้วว่ามันมันให้ผลอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏชัดมากขึ้นเป็นเมฆหมอกที่ปิดบังพุทธศาสนายิ่งขึ้นอย่างไรด้วย <c oughs> ที่ชาวต่างประเทศควรจะทำตามวิธีที่พระเจ้าสอนโดยลองทำการควบคุมพฤติของจิตไ<ว>่าในขณะที่ตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลินอะไรเนี่ย มีสติสมัชัญยะควบคุมพฤติของจิตให้เป็นไปแต่ในทางของสติปัญญาเรื่อยอย่าให้เผลอเอียงไปทางของตัณหาอุปาทานภพชาติอย่างนี้ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันไม่กี่เดือนจะเข้าถึงตัวธรรมะตัวพุทธศาสนา <c oughs> ที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้ต้องใช้คำอย่างนี้ขอไปต้องใช้คาอย่างนี้ ตัวพุทธศาสนาตัวธรรมะที hm ่พระพุทธเจ้าท่านมีให้ไม่ใช่ตัวธรรมะหรือตัวพุทธศาสนาที่เขียนเขียนเขียนเขียนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรขึ้นเรื่อยโดยโดยพระอาจารย์ในลําดับต่อมาซึ่งมาสําเร็จรูปเป็นพระไตรปิฎกหรือเป็นอะไรทำนองนี้ท่านอยากให้เข้าใจว่าพวกชาตต่างประเทศจะเรียนพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกฝ่ายเทววาตฝ่ายมหายาน วิชาอินโดโลยีอะไรอะไรหมดแล้วเขาจะรู้พุทธศาสนาอย่างยิ่งมาสอนเรานี่ข้อนี้ไม่ต้องตัวถ้ายังหลงอยู่ในสวนดอกไม้ที่กว้างขวางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะพบหัวใจของธรรมะหรือหัวใจของพุทธศาสนาที่พระองคขอให้เข้าใจว่ายิ่งศึกษาพุทธศาสนาแล้วยิ่งไม่รู้พุทธศาสนานั้นมีความหมายอย่างนี้ แล้วก็ที่ว่าให้ดูที่ตัวทุกข์หรือตัวโลกตัวชีวิตเนี่ยเรามีความหมายเฉพาะดังนั้นได้โปรด ถ, ถือว่าเป็นคําที่มีความหมายบัญญัติเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านตัดคําว่าโลกกับคําว่าทุกนี่ในบางแทนกันเลยโลกก็คือทุกทุกก็คือโลกบางที่ใช้คําว่าโลกบางที่ใช้คำว่าทุกก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา โดยที่แท้แล้วตัวโลกนั้นไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขแต่ถ้าว่าเมื่อใดมีความยึดมั่นถือมั่นในโลกมันในในลักษณะว่าเราว่าของเราแล้วเมื่อนั้นโลกนี่จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีอโลกนี่จะหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติบุตรพันรยาในวงแคบๆอย่างนี้ก็ได้ ยึดมั่นเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นไม่ยึดมั่นเมื่อไรไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นถ้าจึงสอนให้ดูที่ว่ายึดมั่นเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นที่มันไปเรียนเวลาอื่นไม่ได้เวลาอื่นไม่อาจจะเรียนได้หรือดูได้นอกจากเวลาที่มีความทุกข์เท่านั้นท่านต้องใช้เวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นวินาทีทองวินาทีเพชรวิเศษที่สุดที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาดูว่าความทุกข์นี่เป็นอย่างไร แล้วมาจากอะไรและความตรงกันข้ามของมันคืออะไรและ ว, วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตรงกันข้ามขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรที่เรียกว่าอริยสัจสีประการ <c oughs> ซึ่งเป็นหลักในพระพุทธศาสนาอันยิ่งมองดูเข้ามาในตัวในชีวิตในตัวความทุกข์พฤติของจิตที่กําลังเป็นไปในทางของกันทาวปาทานนั่นแหละคือตัวที่จะต้องมองเห็นชัดและเข้าใจเ <c oughs> นี่ยเรียกว่ายิ่งดูทุกข์จะยิ่งรู้ ดักทุกข์และยิ่งรู้ธรรมะยิ่งรู้พุทธศาสนาขอถือว่าเมื่อกล่าวว่าทุกข์แล้วขอให้มีความหมายอย่างนี้เป็นคําความหมายมีความหมายบัญญัติตายเฉพาะทุกข์ต่อเมื่อยึดมั่นถือมัน่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมันแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นทุกข์คว า, ามเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันเหมือนกันถ้าไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วคว า, ามเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินบทสวด ที่ท่านสรวจหลักพระพุทธศาสนาว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั้นอย่าได้ทึกทักเอาทันทีว่าท่านเล็งถึงกิจยาที่เกิดแก่ตายนั้นเป็นทุกข์เพราะท่านได้พระพุทธเจ้าท่านได้สรุปไว้ในตอนท้ายว่าเบญจขันธ์ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นกังหะเป็นตัวทุกข์สังสเณปนัปจุปาทานขันธาทุกขาอันนี้เป็นอันสุดท้ายอกจากัดใจความของทั้งหมดไว้ ยึดมั่นถือมั่นว่าความเกิดของเราเข้าวความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นความเกิดนั้นไม่เป็นทุกข์ความแก่ก็เหมือนกันความตายก็เหมือนกันความเป็นทุกข์อย่างอื่นใดก็เหมือนกันจึงเรียกว่าไอความทุกข์หรือโลกเนี่ยตัวโลกเนี่ยถ้าไม่ทุกข์ยึดมั่นคือไม่มีไม่มีการยึดมั่นแล้วไม่เป็นทุกข์พอยึดมั่นเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นดูกันแต่ในแง่นี้ในข้อนี้ทุกคราวที่มันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่น คือทุกคราวที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงไงไปตามลำดับเนี่ยจนเกิดความยึดมั่นหือมั่นเป็นตัวเราได้เสียดีเร็วอะไรอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นเอเป็นเป็นขณะที่มีไว้เฉพาะสําหรับศึกษาพุทธศาสนาและเข้าใจธรรมะได้เร็วที่สุดจึงว่ายิ่งศึกษาที่ความทุกข์แต่ในลักษณะเช่นนี้ในวิธีอย่างนี้ ในความหมายอย่างนี้จะยิ่งรู้พุทธศาสนาโดยเร็วที่สุด <c oughs> ขอให้ชักชวนกันศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้แล้วชกันบอกกล่าวเพื่อนฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศทว <c oughs> ่าว่าถ้าอยากรู้พุทธศาสนาโดยตรงและโดยเร็วแล้วขอให้ทำอย่างนี้ถ้าใจไปดกหรือวิชาอินโด์โลจีอะไรต่างนั้นยังช่วยไม่ได้ยังไม่พอ <c oughs> จึงสรุปว่า ยิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งศึกษาโลกหรือความทุกข์ในลักษณะที่มากําลังกล่าวเนี่ยจะยิ่งรู้จักโลกและรู้จักความทุกข์ก็จะสามารถมีทําให้มีความชนะโลกหรือชนะเอความทุกข์ได้เพราะนั้นว่าเราเอใกล้เข้ามาคือว่าเคยเริ่มใกเข้ามาที่ว่าจะเข้าใจพุทธศาสนาในลักษณะอย่างไรจึงจะตรงจุด เขาบอกกล่าวในที่นี่ว่าคำว่าธรรมะกับคำว่าศาสนาเนี่ยเราใช้กันปั่นเบือถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าธรรมะแต่พอมาถึงสมัยเราปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าศาสนาที่ถ้าให้ถูกให้ตรงจริงๆแล้วต้องให้เล็งถึงสิ่งเดียวกันคำว่าศาสนาถ้าเล็งถึงธรรมะอย่างสมัยพุทธกาลเขาใช้คำคำนี้แล้วก็ใช้ได้ อย่างเขาทากเขาถามว่าชอบใจธรรมะของใครอย่นี้เขาไม่ได้ทักว่าซื้อศาสนาของใครแต่นี่เราเอาคำว่าศาสน า, าเนี่ยมาใช้แทนธรรมธรรมะแล้วมีความหมายของคำคานี้เฉไปเฉออกไปเชลีไปจนเป็นเรื่องปริยัดล้วนๆเป็นเรื่องทฤษฎีล้ว น, วนๆ้นตอนนั้นทําให้เกิดความลําบากขึ้นทีนี้เราก็มาถึงส <c oughs> ิ่งที่เรียกว่าหัวใจ หัวใจของธรรมะหรืจะเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้แล้วแต่จะชอบหัวใจอ <c oughs> น, นี่เราคาคํานี้เราเราตั้งกันขึ้นเองดีกว่าเราเราอย่าอย่าไปซัดพระพุทธเจ้าหรือซัดพระอราหันต์พระอัตถกาชา์อะไรเราตั้งขึ้นเองในเมืองไทยเนี่ยคําว่าหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่า ในขั้นพุตธกาลนั้นพุทธศาสนาเป็นหัวใจล้วนๆอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอมาถึงยุคนี้เอเนื้อหนังกับพี่เปลือกอะไร ต, รต่างๆเนี่ยมันงอกขา้มากกว่าไปจนไม่รู้ว่าหัวใจของธรรมะหรือพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนม <c oughs> ันจะเกิดเป็นปัญหาพิเศษขึ้นเฉพาะสมัยนี้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> และเราก็จําเป็นจะต้องมีคําคํานี้ขึ้นมาใช้ <c oughs> ที่เราจะได้พิจ า, ารณากันถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นหัวใจ ของธรรมะหรือของศาสนาโดยทั่วไปในวงพุทธบริษัทถ้าถามว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนานำมาสังเกตเห็นว่าส่วนมากที่สุดตอบกันไปว่าให้คำสอนสามข้อที่เรียกว่าโพวาทปาติโมกคือตอนว่าอย่าทำชั่วทุกอย่างทำความดีทุกอย่างทำจิตให้บริสุทธิ์สิ้นเชิง นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ือนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่บางคนก็ว่าไอคาถาพระสัชชิตีว่าเยธรรมมาเหตุป ภ, ภาวาวเตสังเฮตุงสาคโตที่ที่ถูกจารึกในแผนอิดมากที่สุดทั้งในอินเดียและแม่ในเมืองไทยที่นครปฐรมเนี่ยซึ่งเรื่องมีว่าเมื่ อ, อ, อพระสัชชิสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกออกประกาศศาสนานะ่ มีคนถามท่านว่าพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมนี้ว่าอย่างไอพระอาตชี่ตัณฑ์ว่าโดยโดยปริยายคืว่าโดยเอฟังฟางนั้นเราไม่รู้เรารู้แต่โดยย่อท <c oughs> ี่ว่าโดยย่อใะต้องการเพะว่าอย่างไรพระก็ตอบอย่างนี้คาถาเยธรรมาเหตุปปภาวาจึงเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์หือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาพิมพ์แผนพิษทั่วไปหมด อย่างนี้ก็มีเนี่ยเขาให้กาหนดไว้หรือบางพวกอาจจะว่าอริยสัตว์สีประการเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข์เรื่องที่มาของความทุกข์แล้วก็สภาพที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อให้สภาพอย่างนั้นปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าอริยสัตว์สีนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้ลองเข้าใจว่ามันมันถูกหรือมันผิด เมื่อในเมื่อมันกล่าวต่างๆกันอย่างนี้ <c oughs> ส่วนอาตมานั้นขอใช้คำว่ายึดยึดหรือติดในพระพุทธภาสิตอีกอันหนึง่งซึ่งมีอยู่ในแห่มัชชิมมณิกายว่ามีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าคำสอนทั้งหมดทั้งสิน้นสรุปให้เป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวได้หรือไม่แล้วว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านวาดได้แล้วว่า สเพธธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือทั้งหมดถ้าได้ยินข้อนี้คือได้ยินทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้คือได้ปฏิบัติทั้งหมดเสด็จรับผลจากข้อนี้คือได้รับผลทั้งหมดท <c oughs> ี่เราพิจารณาดูว่าอันไหนควร หลักอันไหนควรจะเป็นหัวใจของธรรมะหรือของพุทธศาสนาที่ที่ข้อข้อข้อแรกที่ว่ายาทำชั่วทุกอย่าง ท, ทําดีให้สมบูรณ์ทาจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นหลักพุทธศาสนาก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกว่าที่ให้ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นทำอย่างไร <c oughs> ที่คาถาประชิดที่ว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระพุทธพระสถาคต้ทัญชีเหตุที่เป็นแดนเกิดของสิ่งเหล่านั้นความทั้งความดับหรือวิธีทําความดับให้แก่สิ่งเหล่านั้นที่ท่านหมายถึงทุกทุกเนี่ยมีเหตุแล้วความดับของมันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงนี่ก็ยังไม่ปรากฏชัดว่าสแสดงว่าอย่างไรแต่ถือว่าการรู้เหตุระดับเหตุได้เนี่ยเป็นหลักหัวใจของพุทธศาสนามันจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือหรือแง่หนึ่งที่บอก ให้ให้ให้ให้รู้ว่าเราจะต้องถือเหตุผลกันแล้วจะต้องดับที่เหตุจึงจะดับผลได้ตรงนี้ <c oughs> ที่ส่วนเรื่องอริยศาสตร์นั่นก็มีถึงสี่เรื่องและแต่และเรื่องก็กว้างๆถ้ามาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนไม่ประสงค์หรือไม่ไม่ชอบที่จะถือว่าเป็นหัวใจของพุทศาสนาเพราะมันมันมากคามากเรื่องถึงสี่เรื่องและแต่และเรื่องก็ยาว จึงจิงงติดใจเธอสนใจอย่างยิ่งในพระพุทธพาสิทธิ์ที่พ ร, พระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหน่อเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยเหตุที่ว่าเมื่อเราพิจารณาอยู่จนเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นน่ะมันพอแล้วมันพอแล้วพอทั้งหมดเพื่อให้ดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในแง่ที่ไม่ควรไปตะครุบเอามาเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่น คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายถึงไม่ไปเข้าใจไม่ไปสำคัญผิดไม่ไปหลงสำคัญว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่ถ้าเราไม่ยึดมั่นสิ่งใดเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วอะไรมีหมดเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าคือสีนจะมีเองสมาธิจะมีเองปัญญาจะมีเองอยู่ในตัวความที่ไม่ทำความยึดมั่นถือมั่นนะคนเราขาดศีนก็ไปยึดมั่นอะไรเข้าไม่มีสมาธิก็ไปยึดมั่นอะไรเข้า ไม่มีปัญญาโง่ที่สุดคนนั้นคือตัวความยึดมั่นถือมั่นอย่างอย่างยิ่งท่านจึงให้ทมเพียงอันเดียวอย่างเดียวข้อเดียวเรียนก็เรียนข้อเดียวนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติข้อเดียวนี้ได้ผลมาก็จากสิ่งสิ่งเดียวนี้คือระมัดระวังจิตในขณะที่ได้ยินรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสประจําวันเนี่ยอย่าให้กระแสจิตเป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของเราข้าม และจิตที่ไม่ได้มีความยึดมั่นโดยพาทานในสิ่งใดว่าตัวเราเนี่ยเป็นจิตที่สมบูรณ์โดยสติปัญญาและสมบูรณ์โดยสติสัมปชัญญะมีสองขา ง, งขอให้กำหนดเป็นพิเศษสติปัญญาคำหนึ่งสติสัมปชัญญะคำหนึ่งในขณะที่จิตว่างานะั่นแหะคนเรามีสติสัมปชัญญะและมีสติปัญญาในขณะที่จิตวุ่นเรามีตันหาวพาทานนี่เป็นของตรงกันข้ามเป็นสองฝ่ายเสมอ ทั้ที่ว่าจิตว่างก็หมายความว่าจิตไ ม, มาาไม่มีอุปาทานไม่มีเโกอิสุมไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกกำนองนั้นแต่แจ่มใสสดใสเเยื่ก เ, เย็นอยู่ ด, ด้วยสติปัญญาและสติสรรมปัญญาเ <c oughs> นี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างตามหลักของอพระพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าหลักที่เป็นหัวใจข้อเดียวสั้นๆของพุทธศาสนาก็คือทําจิตให้ว่างจาก อย่ายึดมั่นหรืมั่นว่าตัวเราหลักของเรานี้ <c oughs> คือหลักที่เป็นหัวใจแท้ของพระพุทธศาสนาการที่เราจะมีหลักที่เป็นหัวใจของธรรมะหรือของพระพุทธศาสนาอมนประโยคสันส้นๆอย่างนี้จะเป็นที่เพียงพ อ, เ, อเหมาะสมแกสังคมในยุค ป, ปัจจุบันนี้หรือไม่อย่างไรขออาจารย์ธุริศช่วยวินิจฉัยก็ฟังท่านอธิบายนี่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็จะต้องตรึกตรอง แตผมเห็นว่าผมเองนะเห็นด้วยแต่เห็นว่าหลักนี้จะถือว่าง่ายอย่างที่ท่าว่าน่ยมันไม่ง่ายคือจะไปอธิบายให้ลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านฟังเอาแค่เย่ธรรมาเหตุตับปะพวานี่ก็ลําบากแล้วแกก็ก็จะแปลก็แปลว่าทำทั้งหลายย่อมมีเหตุพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุนั้นแล้วแล้วทําอย่างไรถึงจะไปถึงการหมดสิ้นอุปายผานจากเหตุนี่อธิบายกันหลายวันแตเดียวผมเคยลองอธิบายแล้ว ไม่ไม่ใช่เข้าใจง่ายๆเลยคือคือก็อย่างนี้แหละครับถ้าคนไม่ยึดเราเข้าใจง่ายเหลือเกินทีนี้คนไม่ยึดจะไปพ่ น, นกับคนเขายึดนี่มันมันลําบากจริงๆครับคนหนึ่งเดินตัวเปล่าอีกคนหนึ่งเกาะต้นพุทราไว้ไม่ยอมปล่อยพูดกันยังไงผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันละครับบอกตรงๆคือว่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าจะให้ผมพูดผมก็เข้าใจจะให้ย้ําอีกทีสรุป อ, อ, อ, อคําอธิบายของท่านะผมเข้าใจ ว่าทำไมพ่อจ่ายพระศาสนาจึงอยู่ที่คำว่าทั้งหลายย่อมมีเหตุถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็หมดความยึดถือได้เพราะเหตุว่าตัวเราสมมติว่าตัวเราอย่างนี้ที่แรกเราอาจจะยึดถือว่าเป็นตัวของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีรูปมีนามมีอะไรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกแต่ถ้าพิจารณาเหตุจะเห็นได้ว่าตัวเราทุกวันนี้มันมาจากเหตุอื่นมันเป็นผลเท่านั้นมันไม่ใช่เหตุ มันเป็นผลของกรรมต่างๆในอดีตมันเป็นผลของอาชีมาจากการกระทําของปิดามารดาและบรรพชนของเราทีนี้ไปดูว่าอะไรเป็นเหตุของตัวเราสมมว่าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเราเกิดจากพ่อแม่เราไปดูพ่อแม่เราพ่อแม่เราก็ไม่ใช่เหตุอีกเป็นผลของตาของยายของปู่ของย่ามันก็ว่ากันเรื่อยขึ้นไปแต่ละอย่างมันเป็นผลทั้งนั้นจนในที่สุดเราก็จะจับได้ว่าไอ้ของที่เป็นเหตุแทมก็ไม่มีของที่เป็นผลแทมก็ไม่มี เพราะฉะนั้นจะยุดอะไรมันก็ไม่ได้เท่านั้นแค่จะเป็นเหตุหรือเป็นผลมันก็ยังไม่แน่เสียแล้วจะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นของเขาของเราได้อย่างไงนี่จับธรรมะอย่างนี้ข้อเดียวอคิดดูพิจารณาดูให้ดีแล้วผมว่ามันก็ถึงอก็ถึงที่จุดประสงค์คือการหมดสิ้นอุปาทานได้แต่ว่าในที่นี้มันไม่ชั่วยแต่ธรรมะข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกข้อถ้ามีปัญญาจะพิจารณาไปในทางปัดอุปาทาน ก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ทุกข้อ อ, อนอกจากว่าถ้าเพื่ อ, อความง่ายความสะดวกจะยึดจรระทำมาก็เดียวเพราใจาพระาศาสนาเพื่อให้หมดสิน้นใครถึงที่ อ, อ, อการหมดสิน้นอุปาทานเราก็พอจะทําได้แต่ทีนี้กรผมก็ยังติดใจยอยู่ที้ว่าเราพิจารณาโลกอย่างไรก็ตามทีโลกและความทุกข์รู้จักโลกรู้จักทุกข์ถ้าใจไม่รู้จักพระพุทธเจา้าไม่รู้จักคําสั่งสั่งสอนพระพุทธเจา้าเราไปไม่รอด อย่างน้อยก็ต้องนั่งท่องเยธรรมมาเหตุตับปะวาวะเอาหลักศิลาจารึกของพระเจ้าเอาสอกใส่ไว้ในหัวใจก่อนแล้วก็ดูโลกอีกทีอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นหมดอุปาทานได้แต่ว่าถ้าจะเพ่งต่โลกเพ่งแต่เพ่งแต่แตความทุกข์โดยไม่คํานึงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่คํานึงถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คํานึงถึงเครื่องีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ไม่คํานึงถึงถึงถง ถ, ง ถ, งถึงอริยสัจแล้วครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และไม่รู้จักโลกจริงๆมันไม่มีทางจะรู้จัก ผมพบคนมามากแล้วที่พบเกิดในศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมระสงค์เป็นคนที่มีศาสนาอย่างอื่นพูดกันอย่างไรก็ไม่มีรู้เรื่องจนกระทั่งเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาแต่ว่าไอ้าสนาเก่าเขามันยังแฝงอยู่อุปาทานกล่าเขามันยังแฝงอยู่เข้ามาอย่างดีที่สุดเขาก็มานับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเขาก็มาเห็นพระสงค์เป็นผู้ติดต่อระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ไม่ใช่ผู้พยายามจะหลีกจากโลก มันมันมันเรื่องของความยากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าขึ้นต้นผมเป็นคนคือเห็นจะต้องยอมรับรองรองวัฏจัชนี้จะตราสรุรวัชานี้ธาตไหนก็ตามทีอย่างดีที่สุดก็เห็นจะเป็นแค่อนุพุทธหรือสาวกพุทธที่จะเป็นสามมาสามพุทธหรือปัจเจกพุทธนี่ไม่ถึงแน่คือถ้าไม่มีใครมาสอนก่อนมองอะไรไม่ออกครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่มองเห็นโลกเข้าใจโลกรู้ความทุกข์ก็โดยเหตุที่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้น ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบและรัสรู้ความจริงแะในประการที่สองก็พยายามศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วก็พยายามมองโลกในทัศน์นั้นไม่เคยถามว่าคาสั่งสอนพระพุทธเจ้าผิดหรือถูกไม่เคยถามตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่า mm hmm. เชื่อเสียก่อนเป็นเบื้องตน้นมีศรัทธาอย่างนี้อย่างที่ท่านสอนให้มีศรัทธาแล้วต่อไปก็ก็ศึกษาศาสนาพุทธและพยายามทําความเข้าใจในศาสนาพุทธ ไม่พยายามคิดอะไรให้มันวกวนนอกศาสนาขึ้นต้นมีสติอยู่ว่าคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่านอกอริยศาสหรือเปล่าถ้าไม่นอกแล้วคิดยึดอย่างนี้จะไปผิดอย่างไงบ้างผมคิดต่เพียงแค่นั้นนี่ผมก็บอกตรงๆว่าผมก็ศึกษาด้วยวิธีใช่ศรัทธาเหมือนอย่างอย่างยิ่งเหมือนกัน เ, เพียงแค่นี้ไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าเอ อ, อะไรให้มันกว้างขวางเกินไปแล้วไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลืม เออหรือกระทั่งไม่นึกถึงพระพุทธศาสนาซะเลยไม่ว่าเป็นอุปาทานก็เป็นแต่เป็นอุปาทานก็เป็นธรรมะที่พอจะพูดกันได้คือทั้งหมดอุปาทานนั้นก็คงพูดกันไม่ได้แต่ยังมานั่งพูดอยู่ในไทยก็ยังมีการยึดถึงเป็นอุปาทานอยู่ก็อุปาทานในพระพุทธทานประสงค์เอาแค่นั้นก่อนซึ่งก็คงไม่บาปไม่กรรมอะไรนักแล้วก็อย่างในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันถ้าจะพูดไปแล้วมันก็มีวิธีศึกษาหลายทางแล้วแต่เราจะศึกษาพระไตรปิฎกในฐานะอะไร ถ้าจะศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีมันก็ติดได้เพราะเหตุว่าพระไตรปิฎกเป็นหนังสือไพเราะจริงๆในทางอัธรรตก็มีสูงถ้าจะศึกษาในทางเหตุผลพระไตรปิฎกก็ไพเราะจริงๆอีกในสาระมีเนื้อความมีเหตุผลมากมายเหลือเกินถ้าจะผัดศึกษาในทางอักษรในทางอักรษรศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาอีกเป็นภาษาโบราณที่น่าสนใจมาก นี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้อีกครับพระไตรปิฎกเนี่ยคือจะไปลืมเฉลยก็ไม่ได้เราธรรมะก็ว่าพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราเอามาพูดกันได้ทุกวันนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มาจากไหนจริงอยู่ทางการศึกษาพระไตรปิฎกรุ่มหลงไปก็มีอาจจะมีสิ่งพุ่มเฟือยมากแต่ของที่เราเห็นว่าถูกก็ยังอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองรวมทั้งของที่เราไม่เชื่อที่เราเห็นว่าผิดด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนชี้ว่าพระไตรปิฎกหน้าไหนฉบับไหนถูกหน้าไหนผ ถ้ารับก็ต้องรับทั้งแรกไม่รับก็ไม่รับเลยแต่ถ้าไม่รับเลยแล้วของดีที่อยู่ในนั้นเราก็ไม่มีผมถือว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทศกุรนาว่ามานะันถูกทุกประการผมไม่ได้เถียงเลยแต่ว่าขึ้นต้นก็เห็นจะต้องขอถ้าจะให้คนเข้าใจธรรมะขั้นแรกก็เห็นจะต้องขอให้มีศรัทธาก่อนคือเชื่อคือต้องยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสาระก่อน เชื่อก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบแล้วก็เชื่อด้วยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมากเหล่านั้นเป็นความจริงของชีวิตเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ทุกประการถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วผมไม่คิดว่าจะมีทางไปรอดและไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้ถ้าไ ม, ไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเชื่อเหล่านี้เป็นปฐมเป็นเบื้องตน้น อยู่ในใจเป็นเบื้องแรกแล้วผมมาศึกษาโลกให้ตายศึกษาทุกข์ให้ตายก็มีแต่จะทุกข์มีแต่จะยึดมีแต่จะเกิดนิวรณ์มีแต่จะดิ้นรนผลฝวายต่อไปไม่มีทางสิน้นทางสุดได้ผมเชื่อว่าคนที่จะตรัสรู้ได้โดยไม่คำนึงถึงพระพุทธศาสนาคือคนที่จะรู้โรครู้ทุกข์ได้โดยตัวเองโดยไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนเลยนั้นมีคนคนเดียวส น, นั้นคือพระพุทธเจ้าเองคนอื่นทําไม่ได้คนอื่นต้องไปแนวต้องไปตามมรรคที่เดชรงวางไว้ ที่ผมเชื่ออย่างนี้จะผิดถูกแล้วยังไงก็ไม่ทราบข อ, อกราบเรียนถามท่านอาจมาเข้าใจแล้วอาจมามองเห็นแล้วว่าอว่าที่เรายังเข้าใจเอไหว้กันอยู่นั่นคืออย่างไร <c oughs> ที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอาคือหลักพระพุทธาศาสนาข้อนี้นั่นมาหาว่าจะเลือกเอาหลักที่ มีประโยชน์ที่สุดหรือว่าครอบคลุมความหมายทั้งหมดไวามาถือเป็นหลักแม้แต่สำหรับจะเชื่อช <c oughs> านสลิดกล่าวจุดต้องที่ว่าเราจะต้องอาศัยความเชื่อเป็นข้อแรกเป็นพื้นฐานที <c> ่ <oughs> <c oughs> มากก็บอกว่าเพื่อจ ะ, ปร ะ, อะประหยัดเวลา เ, เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัตินั่นนะความเชื่อนั่นน่ะเอามาระดมระดมทุ่มเทลงไปที่หัวใจของพระพุทธศาสนาและจะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดกว้างขวางวาที่สุดสมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าได้รวมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีนสมาธิปัญญาหรืออะไรหมดสิ้นทั้งพระพุทธศาสนาว่าในประโยคประโยคนี้ <c oughs> ข้อนี้หมายความว่าพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงนั่นก็คือว่าผู้หรือภาวะหรือบุคคลที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นหัวใจของพระพุทธเจ้า ก, ก็คือภาวะที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านจัดสรู้และท่านทำลายความยึดมั่นถือมั่นหมดไปนั่นพระพุทธเจ้าองค์แท่องค์ องค์แท่องภายในองค์แท่องค์เนื้อแท่นั่นคือภาวะแห่งความมายึดมั่นถือมัน่นส่วนร่างกายนั้นเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่พระธรรมหัวใจของพระธรรมก็คือภาวะของความมายึดมั่นถือมัน่นพระธรรมส่วนที่เป็นปริยัติสําหรับศึกษาเล่าเรียนก็ให้เรียนเฉพาะเรื่องที่จะทําลายความยึดมั่นถือมัน่นพระธรรมในส่วนปฏิบัติคือพระปฏิบัติธรรม นี่ก็ให้ปฏิบัติในลักษณะที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วพระธรรมในส่วนที่เป็นปฏิเวทคือผลที่ได้รับก็ก็ให้เป็นมรรคผลนิพพานคือทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้ตามส่วนจนกระทั่งหมดหยดสิ้นเชิงอันพระธรรมในรูปของปริยัตยิก็ดีในรูปของปฏิบัติก็ดีในรูปของปฏิเวตก็ดีคือพระธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมีหัวใจอยู่ตรงที่ ทำลายความยึดมั่นถือมั่นทันเมื่อเรามุ่งจุดลงไปยังการทำลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือเราได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้จริงมาฝังไว้ในจิตใจของเราอย่างถูกต้องอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถของเราเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงโดยความเชื่อประตามโดยการกระทำคือการปฏิบัติประตาม ได้ด้วยลักษณะอย่างนี้เป็นอนว่าเราไม่ต้องถือประพุทธประธรรมประสงค์ที่เป็นเพียงวัตถุหรือเป็นเพียงเสียงหรือเป็นเพียงสิ่งของซึ่งเป็นการเนิ่นนา น, นาไปทำลายเวลาให้เปลืองไปแม้ว่าเราจะต้องผ่านทางวัตถุเหล่านั้นเราก็ผ่านมาโดยเร็วมายังจุดที่เป็นองค์จริง เป็นพระพุทธประธรรมประสงค์จริงคือภาวะที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นและหมดความยึดมั่นถือมั่นนี่แล้วก็มีพระพุทธประธรรมประสงค์ในเราจริงและเราก็เชื่อได้จริงและเชื่อด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเห็นความยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าเป็นภาวะที่เป็นทุกข์เห็นการทาลายความยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าเป็นการทำความดับทุกข์ แล้วเมื่อหมดความยึดมั่นถือมันแล้วนี่คือประพุทธประธรรมประสงหรือแลแต่จะเรียกนี่เรียกว่าโดยหลักอันนี้อันเดียวท่านั้นเรามีประพุทธประธรรมประสงค์ในเนื้อในตัวที่นี้เพิ่มขึ้นมาถึงว่านีนิสัทธาในประพุทธประธรรมประสงค์นี่หมดปัญหาไปแล้วที่เลื่อนขึ้นมาถึงว่าศีออลสมาธิปัญญาเมื่อทําอยู่อย่างนี้ศีนสมาธิ ปัญญาครบถ้วนอยู่ในตัวเองเพราะว่าขาดศีลก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในของรักในของไม่รักแล้วก็ทําไปตามความลุ้อานาจแก่ความรักหรือความไม่รักแล้วก็ขาดศีลอยงนี้สมาธิเนี่ยมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยเป็นนิวรณ์ต่างๆนานาก็เพราะได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรข้าวพอมองเห็นสิ่งทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเทนั้นอิตก็สงบระงับลงไปเองเป็นสมาธิเอง หรือ่อการเพ่งพิจารณาอยู่เสมออในหลักที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือตัวปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ใจพวกเรามีถ้าเราจึงมีศีลสมาธิปัญญาที่ถ้าจะพูดถึงไอวัตถุตัวพระไตรปิฎกเราก็เห็นได้ชัดว่าพระไตรปิฎกทุกคําพูดมุ่งไปยังการทําลายความยึดมั่นถือมั่นจั้น เรารวบเอามาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการจะเห็นได้ชัดว่าความทุกขเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมั่นที่ทุกเล่าวร้อนอยู่ในใจเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมั่นขอให้ดูให้ดีพอดูให้ดีเห็นว่าทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราได้อริยสัจสองข้อเต็มๆแล้วคือเรื่องทุกข์ข้อหนึ่งเรื่องสมุทัยข้อหที่ก็มองเห็นชัดต่อไปว่า เมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือไม่มีตัณหาไม่มีตัณหานั่นแหละคือนิโรธคือความดับทุกข์ที่ก็มองเห็นชัดว่าไอ้ทำทุกอย่างทุกประการการกระทําทุกอย่างทุกประการที่เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือตัวมรรคแม้ท่านจะจําแนกว่าเป็นแปดองว่าเป็นความถูกต้องแปดประการ คือมีความเข้าใจถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องพูดจาถูกต้องกระทําถูกต้อ ง, องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียนถูกต้องเอมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องราวนี้มันจะจําแนกออกไปตั้งแปดองค์มันก็ล้วนแต่มุ่งหมายที่จะทําลายความยึดมั่นถือมั่นคือความสำคัญผิดอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราเสมอแลยยกเอาข้อแรกคือสมาทิฐิเห็นชอบเข้าใจถูกต้องนั่นะเป็นหลักใหญ่ มันต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นจะก่อนจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แต่หลังจากนั้นก็ฝ่าฝันถูกต้องเองคือมีสัมมาสังกปะถูกต้องเองแล้วก็พูดจาถูกต้องเองกัมมันโตถูกต้องเองอาชีววายามุสติส ม, มาติถูกต้องเป็นหางตามกันไปเองอันสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเสมอพระพุทธเจ้าทตรัสอย่างนั้นนั้นสัมมาทิฏฐินั้นก็คือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่น ว่าเราว่าของเราเนี่ยเราจึงมีอริยสัจอีกสองธรรมาครอบเป็นสี่และเป็นอริยสัจร่วมอยู่ในคำคาเดียวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นทั้งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีการปฏิบัติศินสมาธิปัญญากด็ดีการปฏิบัติ อ, อื่นๆทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดหรือปฏิจจสมุปบาทหรือพชองหรืออะไรก็ตาม ล้วนแต่มีหัวใจอยู่ที่ตรงนี้หรือขยายออกไปจากส่วนนี้และปริยัติคือปริัติปิดกก็เป็นเรื่องนี้เป็นคาบรรยายในลักษณะที่ไพเราะกว้างขวางที่สุดของเรื่องนี้จึงยืนยันว่าขอให้พวกเราที่ประสงค์จะเข้าใจธรรมะอย่างไรควรเข้าใจธรรมะอย่างไรและโดยเร็วโดยรวบรัดนี่เล่งถึงหลักอันนี้ไว้ในฐานะเป็นหัวใจของธรรมะ หรือของพระพุทธศาสนาแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างง่ายให้อีกชุดหนึ่งเอามายอมเห็นด้วยยอมรับอาจารย์คิดตว่ามันยากหรือมันลึกสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราหาผนทางสุดความสามารถของเราเราจะพบว่ามีหนทางที่จะแบ่งแยกเอามาเป็นระบบหนึ่ง อสะดวกและเหมาะสําหรับอคนทั่วไปที่จะประพฤติปฏิบัติตรงจุดจุดนี้โดยหลักที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี้แล้วเขาก็จะได้พระพุทธประธรรมพระสงค์ได้ศีลสมาธิปัญญาได้อริยสัจได้อะไรพร้อมกันไปในคราวเดียวกันและโดยไม่รู้สึกตัวด้วยก็ได้ถ้าขอให้สนใจเป็นพิเศษที่ว่าถ้าจะมาจะพูดว่าเอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนี่มันยาวไปแล้วก็พูดได้สั้นๆที่สุดว่าไอ้จิตว่างนั่นแหละคือหัวใจของธรรมะหรือหัวใจของอพระพุทธศาสนาเพราะเราได้กล่าวแล้วว่าไอ้หมดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาที่ถ้าเราเดินทางอยู่กลางทางเราก็ต้องทําลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ตามสาัดตามส่วนตามความออสามารถของเราทีนี้ที่อาตมาออได้กล่าวไว้แล้วว่าเรามีระบบปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งเตรียมขึ้นสำหรับคนทั่วๆไปจะเข้าใจได้และปฏิบัติดได้ระบบนั่นก็คือคำว่าจิตว่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอาตมาได้เผชิญกับปัญหายากเรื่อง การอธิบายคำว่าจิตว่างนี่มามากมายแล้วก็หลายปีแล้วแล้วก็ได้พบลู่ทางที่จะอธิบายเนี่ยเพิ่มขึ้นเสมอเสมอจึงมีมานะพยายามที่จะอธิบายให้ลู่ล่วงไปให้จนได้เพื่อประหยัดเวลาของเพื่อนมนุษย์ให้เข้าใจพุทธศาสนาได้อย่างรวดรัดโดยเร็วถูกต้องและสมบูรณ์เท่าที่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทีนี่ไหนๆก็ออได้กล่าวว่าจิตว่างและถูกหาว่าออกล่าวคำที่เขาเข้าใจไม่ได้มามากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะขอประกาศย้ำลงไปอีกว่าอาตมายังกล่าวอย่างนั้นและยังจะแถมกล่าวให้มากกว่านั้นและเขาให้ระวังฟังให้ดีก็จะมาจะกล่าวว่าระบบนี้มีหัวข้อปฏิบัติก็คือว่า ให้ทำงานด้วยจิตว่างให้ทำงานให้ความว่างแล้วก็กินอาหารของความว่างแล้วก็อยู่ด้วยความว่างส่วนความตายนั่นไม่มีไปไตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยขอให้ฟังอีกเที่ยงว่าทำงานด้วยจิตว่าง ทำงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างอยู่ด้วยความว่างส่วนความตายนั้นไม่มีไปเสียตั้งแต่ต้นหรือแตีแรกแล้วเนี่ยอาตมากำลังจะเป็นจำอวดทำให้คนนอนหลับคงจะมีความผู้คิดอย่างนี้สมัครที่จะเป็นจำอวดทำให้คนนอนหลับมันมีแต่จาอวดที่ทำให้คนหัวเราะ หรือด่นแต่มาจะเป็นจำบวไในทำนองที่อาจจะทำให้คนหลับลง <c oughs> ที่เขาอาจารย์ที่ฤธ์ช่วยช่วยกำหนดหลักสีห้าข้อนี้แล้วช่วยอภิปรายด้วยแต่จะมาจะกล่าวให้สิ้นกระแสะความ <c oughs> ที่เรียกว่า <c oughs> ทำงานด้วจิตว่าง <c oughs> ข้อที่หนึ่งนั่น เพื่อเราทำงานที่เป็นหน้าที่ของเราทุกอย่างทุกประการด้วยจิตที่ไม่มีอีโกอิสม์ไม่มีความรู้สึกที่น้อมประทางมีตัวกู้หรือมีของกูไม่มีความรู้สึกที่ได้ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในลักษณะที่จะเอาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่อย่างนี้เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวกูหรือตัวเราหรือตัวตนนั่นเอง แต่ตัวกูหรือตัวเราหรือตัวตนนั้นมันไม่ใช่ตนจริงไม่มีตัวตนจริงมันเป็นเพียงมายาแต่อย่าอย่าดูถูกสิ่งที่เป็นเพียงมายาสิ่งที่เป็นมายานะจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเหมือนกับมีตัวตนเป็นภูเขาเหล่ากาเป็นตัวตนเป็นก้อนเป็นอะไรจริงๆแต่ที่จริงก็เป็นเพียงมายาคือเป็นเพียงความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดด้วยอวิชชามีลักษณะเป็นอุปาทานเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่น เราต้องทำงานด้วยจิตที่ปราศจากความรู้สึกอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างแต่ในขณะเดียวกันนั่นจิตที่ว่างนี้เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและสติปัญญาเขาให้แยกออกเป็นสองคำว่าสติสัมปชัญญะคาหนึ่งสติปัญญาคํหนึ่งี่คู่เป็นเกลอกันโดยที่ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันทำให้รอบคอบในการกระทํา สติปัญญานั้นทำให้ฉลาดในการกระทําสติปัญญาทำให้เราฉลาดรูปรอบรู้ในการทำํำสัสมมชัญญะทำให้เรารอบคอบสุขุมในการทํานี่คือตั ว, ต, วตัวสำคัญของหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสวตรว่าสติเท่านั้นสติเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดได้แต่เราต้องขยายความเป็นสติปัญญาฉลาดทาสติสัมมัชัญญะแล้วก็รอบคอบทำ สติปัญญากับสติสมัชยัญญะนี่ส่วนหนึ่งแล้อีกส่วนหนึ่งก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเราสองอย่างนี้รวมกันไม่ได้มีในขณะเดียวกันไม่ได้ไม่ว่าจิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นอย่าง น, นั้นเดี๋ยวเป็นอย่าง น, นี้นั่นจริงบางทีก็มีอุปาทานกิเลสตัณหาแต่บางทีก็มีสติส ม, มัชัญญะและมีปัญญาแต่ขอแท้จริงนั้นมันรวมกันไม่ได้มันมีอยู่ในขณะเดียวกันไม่ได้ ถ้ามีปูปาทานที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสมัมปชัญญะถ้ามีสติสมัมปชัญญะสติปัญญาก็ไม่มีอุปาทานเพราะในขณะใดจิตว่างจากปูปาทานเราเรียกว่าจิตว่างในขณะ น, นั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาและสติสมัมปชัญญะถ้าเราทําหน้าที่การงานในหน้าที่อย่างไดที่บ้านที่ออฟฟิศที่ไหนก็ตามเถิดโดยปราศจากความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าเพื่อเราเพื่อตัวเราเพื่อของเราแล้ว แจมแจ้งอยู่แต่ด้วยสติปัญญาและสติสมะชัญญาแล้วอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างทีนี้คนเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจว่าที่ว่าจิตว่างแล้วคือจิตไม่มีอะไรเลยคิดว่านอนเป็นถอนไม้บ้างหรือว่าจิตไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรมันก็ละเมอทําไปเหมือนคนละเมอเนี่ยจิตว่างอย่างนี้มันไม่ใช่คําว่าว่างมันมีหลายความหมายคําว่าว่างหรือสุนอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีเป็นสมมาทิฏฐิก็มีแต่ถ้าเป็น สัมมาทิฏฐิคือตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วต้องมีความหมายว่ามันเพียงแสว่างจากตัวเราซึ่งเป็นเพียงความสําคัญผิดความยึดมั่นโดยปบาดทานเท่านั้นนะถ้าไม่มีตัวเราก็จะเรียกว่าอะไรมันก็ต้องเรียกว่าว่างจากตัวเราแต่ในขณะที่ว่างจากตัวเรานั้นก็คือสติปัญญาคือพุท ธ, ธะคือธรรมะคืออะไรทุกอย่างอย่างที่พวกเอพิกายเป็นเอารวบรัดเอานะี่ยว่าพุท ธ, ธะคือความว่างธรรมะคือความว่าง อันนี้เขาเขาหมายถึงว่างอย่างนี้เมื่อได้ว่างจากอุปาทานแล้วเมือ น, นั้นก็คือเป็นธรรมะเป็นพุทธะเป็นอะไรทุกอย่างที่ที่พึงประสงค์นี่เป็นหลักพุทธศาสนาที่ที่ใช้ได้แม่ที่มีอยู่ในฝ่ายเซนมันก็อยอันเดียว ก, กันกับที่มีอยู่ในฝ่ายเทรวาวะว่างนี่หมายความว่างจากอีโกอิสตมความรู้สึกที่เป็นอิโกอิสต์ทุกชนิดก็เรียกว่าว่างแล้วเพราะไม่มีความรู้สึ ก, กว่าตัวเราแล้ว จ ะ, จะให้เรียกว่าไม่ว่างได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าว่างแต่ว่าในตัวความว่างนั้นเป็นตัวสติปัญญาเป็นตัวสติสัมปชัญญะเจ้เองอันนี้ทำจะทาการงานอะไรจะดีทั้งนั้น เ, เพื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ขอให้เล่งถึงตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนอาจจะเข้าใจได้ว่าทำงานด้วยจิตว่างนี่หมายถึงอะไรอามาขอขอโอกาสยกตัวอย่าง จังว่าชาวนาทำนาทำได้จิตว่างนะมันคำว่าขุดนาอยู่กลางแดดเหงื่อไลหลไขย้อยแต่จิตว่างไม่ยึดมัน่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนในสิ่งใดหมดทั้นเขาร้องเพลงพลางขุดนาไปพลางก็เรียกว่าทานาหรือขุดนาโดยจิตว่างมันเลยสนุกสนานในการขุดนั่นเองและรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยมันยิ่งสนุกใหญ่ จิตก็ยิ่งว่างใหญ่จึงทํานาได้โดยสนุกสนานไม่มีความคิดนึกน้อมไปในทางมาไปขโมยดีกว่าเขาไม่เหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนแจวเรือจ้างกลางแตดกลางลมกลางฝนทวนน้าด้วยถ้าจิตว่างมะทอมไม่มีความคิดนึกทิ่น้อมไปในทางเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นคนจนเขาเป็นคนรวยทานองนั้นไม่มีเลย มีแต่ความนึกวันนี้คือหน้าที่ของเราหรือแม้แต่จะนึกว่าเป็นผลกรรมของเราก็กยังได้แต่ยา้เลยเป็นถึงว่าน้อยเนื้อต่ำใจมีว่านี่เป็นหน้าที่ของเราเราต้องทำอย่างนี้โดยแน่นอนและการทำอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวแล้วก็มีสติปัญญารร ม, มีสติสัมปชัญญะ ร, รมไอ้จวเรือจ้างนั้นก็ไม่เป็นทุกข์ทรมานถึงกับว่าเป็นนรกหมกไหม้อยู่ในใจ ับสนุกสนานชื่นบานร้องเพลงไปพลางแกวเรือไปพลางก็ได้เหมือนกันไม่จะคนถีบสามล้อหรือว่ากรรมกรอย่างอื่นก็เหมือนกันจะต้องมีหลักอย่างนี้จึงจะเรียกว่าขณะนั่นเขาทํางานอยู่ในจิตว่างทีนี้ที่ละเอียดออกไปจะมาอยากจะยกตัวอย่างว่าเหมือนการที่จะยิงปืนหรือคว้างแม่นตรง น, น, นี้เขาต้องเสรียมจิตให้ว่างจึงจะยิงแม่นหรือคว้างแม่น ถ้าจิตเต m มไ r เ r y อิโกสุมว่าเราจะยิงให้ถูกได้รับเกียรติได้รับรางวัลถ้ายิงผิดเขาจะหากันอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะยิงได้แม่นยำถ้าเขาต้องสํารวมจิตขจัดไออโกซึมอย่านี้ออกไปให้หมดเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับสติปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเพียงเท่านั้นเราทำไปด้วย สติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะหรือสมาธินั้นโดยลืมหมดว่าไม่มีตัวเราอยู่ที่ไหนเลยแล้วมือเนี่ยก็จะทําไปได้เต็มหนาจของสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาหรือสมาธินั้นซึ่งมันเป็นใต้สํานึกเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวก็เลยว่างแม่นหรือยิงแม่นเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เราทําไปด้วยจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวภูว่าของกู ถ้าความรู้สึกตัวกูของกูมีมันสั่นในใจแล้วมันสั่นมาถึงกายแล้วมือมันก็สัน่นนี่เรียก ว, ว่ายิงปืนก็ต้องยิงด้วยจิตว่างที่เมื่อจะสอบไล่นักเรียนจะสอบไล่เขาต้องเตรียมจิตให้ว่างเหมือนกันคือรู้ว่าการสอบไล่นั้นเป็นอย่างไรเพื่ออะไรนนะรู้หมดแล้วพอถึงลงมือตอบคําตอบคือการสอบจริงๆนั้นต้องลืมหมดลืมตัวตนหมดให้เหลืออยู่แต่สติสัมปชัญญะกับสติปัญญาเท่านะั้น แล้วก็ทําข้อสอบนั้นได้อย่างดีที่สุดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปคือไม่ประมาทเกินไปไม่ขลาดเกินไปนี่มันพอดีไปหมดถ้ามันทําด้วยสติปัญญาและสติสัมบัติยถาบริสุทธิ์นี่ก็เรียกว่าสอบไล่ด้วยจิตว่างว่าจากความรู้สึ ก, กว่าตัวกูของกูถูกแล้วเด็กๆจะต้องมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวหวังสอบไล่เอาเอ า, เอาผลนั่นถูกแล้วแต่ขอให้มีอยู่ในขนาดนึง ในขณะที่ลงมือตอบนั้นยาได้มีเป็นอคารในขณะที่ทําข้อตอบคาตอบนั้นยาได้มีให้เตรียมอยู่แต่ด้วยสติสัมัญญากับสติปัญญาที่เรียกว่าความว่างจากตัวตนนั่นเท่านั้นแล้วเขาก็จะสอบไล่ได้ดีเป็นพิเศษจําได้เก่งเรียนเก่งจําเก่งคิดนึกเก่งตัดสินใจเก่งทีนี้มาที่สุด <c oughs> แต่เรื่องที่จะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยอมาใช้คําอย่างนี้ เราจะทะเลาะวิวาสชกต่อยกันหรือจะเป็นความกันที่ศาลที่โรงที่ศาลเนี่ยก็ให้ทําไปเถอะถ้ามันต้องทำํำนะมากกว่าคนทั้งหลายจะต้องทําเนี่ยเขาให้ทําไปแต่จิตว่างถ้าทําไปแต่จิตบุ่นแล้วจะมืดมัวจะเตี้ยเปรียบเ้าโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าทําไปแต่จิตว่างแล้วจะพบลู่ทางที่ดีจะสุขุมรอบคอบจะเฉลียวฉลาดนันการวิวาสหรือการเป็นความกันที่โรงที่ศาลนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ สำหรับผู้ที่มีจิตว่างเนี่ยม้แต่จะกชกต่อยกันก็เถอะก็ขอให้มีอการกระทาไปได้วจิตว่างเือลืมตัวเสียขาดไม่เลืง้งไม่มจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวดเร็วว่องไวตามอานุภาพของจิตว่างนี่วิทัรเลาวีว่าการชกต่อยกันก็ต้องทำด้วยจิตว่าง <c oughs> ทีนี้เพื่อความกระจายมากไปอีกมาอยากจะให้ตัวอย่างไปอีกทางหนึ่งว่าการร้องเพลงหรือดนตรีเลยนะเนี่ย ประเภทหนึ่งเป็นไปโดยจิตว่างประเภทหนึ่งเป็นไปโดยจิตวุ่นท่า น, นดนตรีบริสุทธิ์ไม่เลงถึงความหมายไม่มีความหมายอะไรหรือผิวปากเล่นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตยังว่างอยู่ไม้ว่าเราจะร้องเพลงเพลงไพเหรือเพลงอะไรก็สุดแท้ถ้าทำไปโดยปราศจากเอะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ยังเรียกว่าร้องเพลงโดยจิตที่ว่างยิ่งกว่านั้นไอดนตรี free, บางชนิด ที่บริสุธิเสียอีกจะช่วยให้จิตว่างคือคลายความหมกมุ่นโรดเครื่องอะไรมาที่เป็นจิตวุ่นเป็นตัวตนนั่นให้มาเป็นจิตที่ค่อยๆจางออกจางออกแล้วเป็นจิตว่างได้ในที่สุดทังการร้องเพลงหรือการผิวปากชนิดหนึ่งนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาไปเสียหมดแต่จะกลับเป็นเรื่องของอุบายอันหนึ่งซึ่งทําให้จิตว่างและเราก็จะตั้งตัวได้ แต่น่ายล้วถ้าร้องเพลงด้วยกิเลสตัณหานั้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องจิตวุ่นมีความมุ่งหมายทางเพศทางอะไรก็โดยแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ยามเหม า, าขึ้นชื่อว่าร้องเพลงหรือดนตรีแล้วจะเป็นเรื่องจิตวุ่นไปหมดท่างขอให้นึกถึงหลักทั่วๆไปศิละปะบริสุทธิ์นั้นมีคุณโดยสนับสนุนอความมีจิตว่างส่วนศินละปะ ไม่บริสุทธิ์นั้นย่อมจะสน้างสูญกิเลสตัณหาเป็นธรรมดาทั้นเราจะได้ปรับศิละปะให้มากไปโดยส่วนเดียวหรือว่ายกย่องโดยส่วนเดียวต้องแยกออกไปว่ามันเป็นศินละปะที่ช่วยให้จิตว่างหรือว่าช่วยให้จิตวุ่นท่านเราจะไปว่าเด็กๆ เ, เขาร้องเพลงแล้วจะเกิดกิเลสตัณหาหรือว่าใครร้องเพงเล่นเิวปากเล่นจะเป็นกิเลสตัณหาไปเฉหมดต้องดูถึงภายในจิตใจของเขาว่ากําลังเป็นอย่างไร นันท่านพุทธามีจิตใจวุ่นกําลังโกรธใครจะผิวปากให้หายให้ใหายอารมณ์ตึงเครียดนั้นมันก็ยังเป็นการกระทําที่ถูกต้องอตามหลักอันนี้ทีนี้ที่ละเอียดขึ้นมาเหมือนกับว่าติรับปะกฝีมือที่เราจะแสดงออกเป็นความงดงามอย่างจัดแจกันดอกไม้เรืออร่อยๆตอนนี้ลองดูมีจิตวุ่นและจัดแจกันและมีจิตว่างอย่างว่าและจัดจัดอีกแจกันอันไหนจะสวยกว่า <c oughs> ขอให้เอ่า ลองดูและเปรียบเทียบดูแต่คำว่าจิตว่างนี่อย่าลืมจะต้องเป็นอย่างเดียตา ม, มาว่าสมบูรณ์สิตสมัญญาปัญญารัจจกปาท า, า, านความคุ้นเครียดอยู่ด้วยอีโกอิมแก้กันไหมจะสวยกว่าเนี่ยเวลาก็มีน้อยเพราะนั้นยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็ควรจะพอแล้วสำหรับคำว่าทำงานด้วยจิตว่างนั่นได้ผลดีที่สุดทีนี้ที่ว่า กินทำงานให้ความว่างเนี่ยควรจะจังหนแน่นอนไม่จะทำงานเอาเองไม่จะทำงานให้ครอบครัวไม่จะทำงานให้ประเทศชาติศาสนาอะไรหมดแต่ทำงานให้ความว่างนี่มันเป็นการกล่าวทีเดียวกระโดดไปสู่จุดปลายทางแต่ว่ายังอาจจะมีความหมายที่ลดต่าลงมาถึงโดยข้อโดยหลังเดียวกันว่าทำงานด้วยจิตว่างนั้นมันต้องทาให้ความว่างหรือเพื่อความว่าง เขได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมะคือความว่างธรรมะคือาพุทธธรรมะคือสิ่งอความว่างนี่คือสิ่งสูงสุดแต่ได้เป็นหลักที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ควรมันคือมันไม่มีตัวตนมั่นเป็นว่างไปหมดโลกนี้ทั้งโลกซึ่งรวมตั้งตัวเราครอบครัวของเราประเทศชาติของเราก็เป็นเพียงสังขารเป็นธรรมชาติเป็นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่ตัวตน ท่นการที่เราทำงานให้ประเทศชาติหรือให้ครอบครัวหรือให้ตัวเองก็ตามมันก็เพื่อให้แก่ความว่างอยู่ในตัวแล้วเพียงเท่านี้ก็พอจะนึกได้หรือพอจะทําได้แต่ว่าความจริงมันมากไปกว่านั้นตัวชาติเราสามารถเราไม่บูชาอะไรหมดเราบูชาความว่างซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าคือพระพูธคือพระธรรมคือพระสงฆ์คืออะไทั้งหมดอยู่ในความว่างนั้นท่านทํางานให้ความว่างก็คือทํางานให้ธรรมะนั่นเอง ทำงานให้ธรรมะคือให้ประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะยึดถือควรจะได้รับนั่นเองถ้าเราทำงานเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อแล้วมันยังต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งทำงานเพื่อเงินนี่ไม่ไหวนี่ยอมยอมรับกันทำงานเพื่องานเพื่อห น, น้าที่นี่ก็นับว่าสูงสุดพออยู่แล้ว แต่ต้องไม่ยึดมั่นถือมันในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือ ง, งานนั่นอีกต่อหนึ่งเมื่องานนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอสิ่งที่เรียกว่างานงานเพื่อ ง, งานงานหลังก็คือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนเพราน่นก็ต้องเพื่อไม่ใช่ตัวตนถ้าไหนทำงานเพื่องานนั่นแหละคือทํางานให้ความว่างเมืความว่างคํานี้เป็นคําพิเศษมีความหมายเฉพาะในตัวมันเองอย่าอย่าละให้พลาไปจนเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อทํทา ง, งานด้วยจิตว่างแล้ว งานที่ทำนั่นก็ทำให้ความว่างแต่ที่มันไม่ไปไหนเสียมันอยู่ที่ผู้ทำอ่เออมันอยู่มันมันได้มันมีปฏิกิริยาอะไรแก่แก่ผู้ทำนั่นนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้หรือไม่ได้ผลอะไรแม้ว่าจะได้ผลมาเป็นมากมายอย่างไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรา ด, ดังนั้นมันจึงกลายเป็นทำงานให้ความว่างทีนี้จะถามว่าเอาอะไรกิน ก็ตอบว่ากินอาหารของความว่างมันก็กินอาหารของธรรมะกินอาหารของพระธรรมกินอาหารของพระพุทธเจ้ากินอาหารของพระสงฆ์แต่เรามายเรียกว่ากินอาหารของความว่างซึ่งมีความหมายเฉพาะเป็นพิเศษทั้งเราจึงมีอาหารกินทั้งที่เราทํางานด้วยจิตว่างทํางานให้ความว่างแล้วก็มีอาหารกินจากความว่างนี่จะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ อาหารที่ไม่ประกอบด้วยโทษเนี่ยทําความเจริญโดยแท้จริงแล้วก็ถัดไปที่ว่าอยู่หรือมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างเนี่ยก็คืออันแรกคือมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ทุกวันทุกวันนี่โดยไม่มีอะไรเป็นตัวเราโดยไม่มีอะไรเป็นของเรา <c oughs> นี้เรียกว่าอยู่ด้วยความว่างตลอดเวลาที่ข้อที่ว่าส่วนความตายนั้นไม่มีไปเสียตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> คือเมื่อยึดหลักเป็นเป็นหลักที่ว่ามีความว่าง เป็นสิ่งสูงสุดเป็นอยู่ด้วยความว่างทํางานด้วยจิตว่างทํางานให้ความว่างกินอาหารความว่างแล้วมันไม่มีตัวเราเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วเมื่อไม่มีตัวเราเสียทีแรกแล้วความตายมันก็ไม่มีมาตั้งแต่ทีแรกแล้วท่้นปัญหาเรื่องความตายจึงไม่มีหรือจ ะ, จะจะจะมีก็ต้องเรียกว่าความตายคือความว่างตลอดกาลนั่นเองอย่างนี้มันดีกว่าความตายที่จบกับจบเน่าเม้นหน้าเกลียดหน้าสังเวช แต่ที่แท้นั้นควรจะพูดว่าส่วนความตายนั้นหรือความเป็นนั้นมันก็คือเป็นความว่างอยู่ตลอดการแล้วจึงเรียกว่าความตายนั้นไม่มีไปเสียตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอาตมาไม่อาจจะวิิตร์ชายได้ด้วยตนเองว่าไอ้คำกล่าวอย่างนี้คาอธิบายอย่างนี้เขาจะเข้าใจาได้หรือไม่เขาจะพอรับเอาได้หรือไม่ แต่แม่ก็ยังไม่ท้อถอยยังพยายามจะทำให้เข้าใจจนได้ <c oughs> จึงได้แนะว่าทำงานด้จิตว่างท่านทุกคนไม่ว่าคนชนิดไหนไม่ว่ากรรมกรชนิดไหนไม่ว่าบุคคลช่านไหนแล้วค่อยๆถือหลักเป็นทำงานให้ความว่างก <c oughs> ินอาหารความว่างอยู่ด้วยความว่างนี่ยิ่งขึ้น <c oughs> ถูกแล้วข้อนี้มีชีวิตอยู่อย่างน่าบวเนี่เข้าใจได้ง่ายและทาได้ง่าย แต่มาก็พร่ำสอนภิกษุที่อยู่ด้วยกันว่ากินอาหารของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กินอาหารของเราหรือของชาวบ้านที่มีกินอยู่ทุกวันเนี่ยให้ทุกคนเขย่าเขยิบไปพระเจ้าตัวจริงนั่นคือธรรมะธรรมะตัวจริงก็คือความว่างก็ค่อยๆเลื่อนกันไปลําเป็นลำดับจนกินอาหารของความว่างก็พอจะเข้าใจกันได้ส่วนคาราวาตัวทั่วไปนั้นอ่างมากก็ไม่แน่ใจจึงขอฝากไว้ก่อน ที่นี่สรุปแล้วก็เป็นหัวข้อว่าทำงานด้วยจิตว่างทำงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างอยู่ด้วยความว่างส่วนความตายนั่นไม่มีไปเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วหลักที่มีความหมายที่มีใจความอย่างนี้เราพอที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจและรับเอาไปเป็นหลักปฏิบัติ ตามสมควรแก่อัตภาพของเขาได้หรือไม่ขออาจารย์ชลิดช่วยอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ในพิกุภาวะก็ได้อย่างถท้าว่าไม่ไม่ขัดข้องอะไรคือผมเห็นนั่งฟังมาคือพิ่ขึ้นปันคันตนเท้าแสดงธรรมที่เป็นความจัดจะธรรมที่กว้างขวางเหมือนกับมหาพระมหาสมุทรแล้วเสร็จแล้วพอถึงขึ้นในเรื่องที่ว่าความมุ่งหมายของการพ้นทุกข์คือการ ม่ยึดถือม่ยึดมั่นการปาฏิุปาทานให้พ้นนั่นเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทีนี้พอมาเข้ากรอบที่ตรงที่ว่าทํางานโดยจิตว่าง อ, อทําให้เกิดทํางานให้เกิดความว่างกินอาหารจากความว่างนี่ผมขอประทานโทษขอเปรียบตรงๆคือฟังดูแล้วเหมือนอย่างกับวา่าในท่าพยายามจะเทพระมหาสมุดลงไปใส่ขานใบเล็กๆมันสายไม่ลง ล่มหมดมันมันมันมันคือคือไอ้ชาติจะทำที่ไดนท่าประกาศมันเป็นเรื่องกว้างขวางใหญ่โตเหลือเกินมันเป็นสัาพะของจิตของพระอรหันต์ทีนี้ชาวบ้านธรรมดาสามัญคารวะเขาทํามาหากินกันตามปกติจะเอาทำทั้งอันใหญ่โตนั้นเอามาใส่ไปในช่ก้วใบต้นนี้มันเท่าไหร่มันก็ไม่ลมใบไม่รอดคือถ้ายังทํางานอยู่แล้วจิตมันว่างไม่ได้ ผมยังถือว่าอย่างนี้ที่ท้าวกล่าวในตอนท้ายนั่นท้าวเองก็ยอมรับว่าถ้าบวชเป็นพระในการพูด ง, ง่ายในเรื่องเหล่านี้เรื่องทํางานได้จิตว่างเรื่องอทํางานเพื่อให้เกิดความว่างเรื่องออออกินอาหารจากความว่างจนในที่สุดอยู่ด้วยความว่างเพราะฉะนั้นอย่างที่คนโบราณพูดประจักพระไตรปิฎกอีกแล้วครับที่ว่าคารวาสำเร็จพระอรหันแล้วตายภายในเจ็ดวันนั้นผมเชื่อแต่ถ้าพระสําเร็จพระอรหันไม่เป็นไรอยู่ไปได้จนกว่าจะแก่ บางที่ก็ไม่ตายอยู่ไปอายุยืนยืนตั้งหลายร้อยปีพระอรหิภูภาวะนั้นสะดวกสําหรับการปฏิบัติทำอย่างนี้ถ้าว่าจะเอามาติปฏิบัติในทางคารวะกระผมเห็นแม้ยังขัดข้องเหลือเกินทั้งนี้ไม่ใช่แปลว่าทำนั้นผิดเชื่อถือไม่ได้เปล่ากองท่ามเห็นว่าถูกที่สุดนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนซึ่งยังอยู่ในคารวะผีใสัยจะพึงปฏิบัติแค่ไหนที่ได้เท้ากล่าวมานั่นเป็น เป็นเป็นกัตกรรมเป็นกิจกรรมของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าทีนี้ของที่คารวะควรจะทำนั้นถ้าจะให้เหมือนกันผมนึกว่าไปไม่ไหวไปไม่ไดนะ้คือประการแรกการที่จะให้ทำงานได้จิตว่างนั้นผมยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรคือถ้าทำงานแล้วไม่ถือว่างานนั้นเป็นงานไม่ถือว่าตัวเราเป็นผู้รับประโยชน์ของงาน หรือไม่ถือว่าคนอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ของงานหรือไม่ถือว่าชาติบ้านเมืองเป็นผู้รับประโยชน์ของงานแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทําไปทําไมเหมือนกันทําเพื่อให้เกิดอะไรหลายงานนั่นเองก็ไม่ควรจะยึดถือด้วยถ้าจะทําำดนจิตว่างองจริงๆไอ้งานที่ทํามันก็เป็นของรายสาระมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งอเราก็คิดปรุงแต่งมันขึ้นมาเองว่าเป็นงานมันควรจะทําลายมันเะได้ซ้ําจะไปทํามันทําไม นี่จะจะคิดกันอย่างปรามัดกันจริงๆแล้วถัดกิจว่างแล้วมันก็ไม่ทํางานถ้าผมทำตัวให้ปราศจากอุปาทานให้ได้จริงๆแล้วผมก็จะไปขอบัระชากระได้ท้าแต่ผมจะนั่งทํางานเนี่มันเสียเวลาอยู่ทีนี้เพราะมันยังไปไม่ไหวมันต้องนั่งเป็นรารวาตอยู่นี่ปากอุปาทานไม่หมดไอการทํางานมันเป็นสภาพของการยึดมั่นถ้าใครยังไม่ถึงขนาดผมก็ต้องทํางานกันต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของทุก เขาจะบอกว่าให้ทํางานด้วยจิตว่างผมยังมองไม่เห็นทางว่าจะทําได้ยังไงนี่ผมอาจจะใจคอคับแคบหรือมันก็อยังตายังไม่เห็นทางจริงๆยังนึกไม่ออกจริงๆส่วนเรื่องสติสัมปชัญญะก็ดีสติปัญญาก็ดีผมนึกว่าสตินั่นก็หมายความว่าสติในการระลึกได้ว่าของทุกอย่างไม่ใช่ตัวใช่ตนเท่านั้นคําหมายของสติตั้งอยู่ในสติประฐานก็นึกอยู่อย่างนั้น จับเป็นตาขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นอนัตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจับไอ้นี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของผมทั้งนั้นถ้ามีสติอย่างนั้นแล้วมันก็ทํางานไม่ได้อีกนึกจะออกไปค้าไปขายอะไรสักหน่อยอก็มไม่เที่ยงกันได้เงินมากมันมีประโยชน์อย่างเลยนอนดีกว่าอมาเข้าใจนี่<ต>ครับ ม, มันอย่างนี้<อ>ผมไม่ได้กราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆคือเพรมันยังไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะเข้าใจ แต่มันนึกอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเผอได้ท้าบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้าว่าต้องเอ่อคือว่าถ้าสอนสรุปไปว่าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะทําให้จิตว่างไม่ยึดไม่มั่นอะไรแล้วแล้วก็ได้ท้าก็มาจบลงหันมากวักมือกับผมบอกเอฮิพกูผมไปเลยตามปวดผมเชื่อแต่ถ้าได้ท้าสอนอย่างนี้แล้วบอกว่างั้งเอมเดี๋ยวเอ็มกลับบ้านไปทํางานไปแล้วก็จิตมัว่างนะลูกนะผมทําไม่ได้ เนี่ยครับนี่ไปพูกกันอย่างคารวาสผูกกับรละล่ะก็คือว่ามันคนละโลกกันครับอย่างนี้แล้วก็เนี่ยผมก็อยากจะขอประทานกราบเรียนถามความรู้ต่อไปว่าจะให้ทํำยังไงกันแน่แต่มาอย่า ง, งสงสัยอยู่นิดนึงเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเราเทน้ำทั้งมหาสมุทรลงไปในถังใบเล็กๆเนี่ยับมันล้นมากแต่ที่มันเหลืออยู่ในถังนั่นน่ะมันเป็นน้ํำอย่างเดียวที่ล้นไปหรือเปล่าถูกเป็นน้ําอย่างเดียวครับแต่ผลมันไม่เหมือนกันปริมาณมันไม่เหมือนกันอย่างดีก็ ถ้าเผื่อว่าใครฟังนี่ไปแล้วอย่างดีจริงๆไอ้ที่จิตว่างจิตใส่เท้าพูดนะมันก็ไม่ใช่จิตว่างมันเป็นอุปาทานนั่นเองแต่มันว่างจากกินเลสสิทนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนี่พูดในทางโลจิกมันไม่เข้าไอ้ผลเนี่ยมันมีทางแพ a c t i c a l l y ผมรับแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเทศเรื่องนี้ก็ได้ก็เทศเรื่องทำบุญสุนทานอะไรจนในที่สุดออสอนให้สอนก็กลองๆมาทําบุญแล้วตายไปจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ก็ทําดีกันมานั่งพูดทนบวกบอกไปนอกรูน อ, อกทางทําไม ที่ไม่ได้แปลว่าในเช้านอกลู่นอกทางหลอกคือว่ามันก็มันไม่ทักเทศใต่คนทําดีมันก็อย่างธรรมดาสามัญเขาก็มีเดี๋ยวนี้มาจาับได้แล้ว <c oughs> คือว่า อ, อที่ว่าให้ทํางานด้วยจิตว่างอย่าให้เชื่อวยความรู้สึกว่าเราหรือของเรานะั้นหมายความว่าในขณะที่ทำํำในขณะที่ลงมือทำนี่ต้องมีจิตว่าง ส่นสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเรามีประเทศชาติศาสนามีหน้าที่ที่จะต้องทําต่อประเทศชาติศาสนาทํางานเพื่อหน้าที่นี้มันมีแล้วมีก่อนแต่ลงมือทำนั่นอ่ะมีมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้จะเรียกว่าเป็นอุปาาทปนปน า, ป า, านที่เป็นไปในฝ่ายดีก็ได้และอุปาทานที่เป็นไปในฝ่ายดีนี่ไม่ได้ถูกตําหนีตีเสียนโดยส่วนเดียว ยอมให้ทุกคนมีอุปาทานในฝ่ายดีเป็นทุนจำรองไปเรื่อยๆแต่ให้พยายามสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอถึงที่สุดของฝ่ายดีมันก็เข้ามาเรื่องเนื้อดหอีหรือว่างนี่เองแต่ว่าวิธีปฏิบัติเฉพาะหน้านี้ก็มีอยู่ว่าในขณะที่ลงมือทาแท้ๆเนี่ยอย่าได้มีกิดวุ่น มีความรู้สึกตัก้งแต่ทีแรกว่าอะไรควรจะทำและทำอย่างไรเท่าไรเพียงไหนนี่มีได้คิดนึกได้แต่ก็โดยสติปัญญาอีกนั่นแหละอย่าด้วยอย่าได้คิดด้วยจิตที่หมกมุ่นอยู่ด้วยตัวกูของกูเพราะมันจะมากไปบ้างน้อยไปด้านไปบ้างผิดความจริงไปหมดที่ทำโดยสติปัญญาบริสุทธิ์ว่างจากตัวกูของกูก็คิดได้ว่าเรามีฐานะอย่างนี้มีสภาวะอย่างนี้จะต้องทาอะไรเป็นประจาวัน มีอาชีพมาอย่างไรมีประโยชน์ส่วนละส่วนรวมอย่างไรนี่คิดไปได้แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าด้วยจิตว่างอยู่เหมือนกันมีสติปัญญาสูงสุดคิดไปว่าควรจะทําอะไรและมีเความสําคัญอย่างยิ่งตรงที่ว่าขณะลงมือทําแล้วก็ให้เหลืออยู่แต่สติกับปัญญาสติสมชัญญะอย่างที่กล่าวและสตินั้นแน่นอนสติในพระพุทธศาสนาหมายถึงสติปัฏฐาน คุมความรู้สึกไว้เสมออย่าหลอตัวมีสติอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือเป็นของตนและทํางานด้วนสตินั่นในขณะนั้นจิตเฉลียวฉลาดที่สุดว่องไวที่สุดเป็นแอคทีฟเป็นกรรมนิโยอะไรที่สุดท่า น, นจึงว่าน่าจะลองเอาไปคิดพิจารณาดูและลองพยายามทําดูให้การพยายามนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินว่าจะได้หรือไม่ได้เพียงไร เพราะว่าบางทีอาจจะได้ของวิเศษที่สุดจากปริมาณที่มากที่สุดเหมือนกับ น, น้ำที่ขังอยู่ในถังใบเล็กๆ่ที่เราเทให้ทั้งมหาสมุทรก็ได้เรมีความหมายมุ่งหมายอย่างนี้ทัานขอฝากไว้ให้คิดต่อไปด้วยอาจจะเข้าใจไม่ได้ในวันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ในวันหน้าหลักธรรมะส่วนลึกนี่เราต้อง มีมีมีมีความมุ่งหมายว่าพูดศึกษาค้นคว้ากันวันนี้เพื่อความเข้าใจในห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าจะได้โดยแน่นอนแต่ถ้าเรายังรอว่ายังไม่เอามาพูดกันมันก็ต้องรอไปอีกสิบปีจึงจะลงมือแล้วมันก็ต้องเลื่อนออกไปสิบปีจึงจะเข้าใจได้ถ้าขอให้กล้าเอาไปทำมากที่เข้าใจไม่ได้เวลานี้ไปขบไป ค, ไคิดใช้มันลองดู เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจต่อ5ปีหรือ10ปีข้างหน้าและเรื่องจิตว่างหรือทำงานด้วยความว่างนี่ก็รวมอยู่ในันในใ น, ใ น, ใ, นในพวกนี้ด้วยนี่เรียกว่าอาตมาพยายามที่จะบอกกล่าวท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาหรือเพื่อให้ได้ผลทันตาเห็น ถ้าเรามีมีมีหัวข้อว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างไรนะ เ, าา น, เนี่ยอำมาเสนอว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างนี้อาจารยรีบพูดนี่ก็ถูกต้องและมีเหตุผลควรที่จะเอาไปคิดไปนึกและปรับปรุงและสังสรรอให้ให้ให้เข้ารูปจนพอที่จะได้รับประโยชน์มมในปริมาตร เทียบถ้ากับส่วนน้ำปี๊บเดียวจากมหาสมุทรก็ขออย่าได้ทอถอยทุกทุกท่านอย่าได้ทอถอยจงพยายามศึกษาคำว่าว่างหรือจิตว่างซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี่ให้เข้าใจกันให้จนได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ถือว่านิพพานนี่คือว่างอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งคือนิพพานหมดความรู้สึกว่าตัวตนถึงที่สุดเมื่อไหร่นั่นคือนิพพาน ก็ามาผูกเป็นคำกลอนที่หลังว่านิพพานนางประมังขุนยังนี่ก็ผูกจยากหลักคำกล่าวที่กล่าวว่าเป็นร้อยแก้วแต่ความหมายอย่างเดียวกันว่าไอ้นิพพานเลยคือว่างอย่างยิงไอ้ว่างอย่างยิ่งเลยคือนิพพานทัานสมมติว่าน้ำมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เรามุ่งหมายไว้ในฐานะเป็นไอของข้างหน้าที่จะถึงในวันหนึ่งแล้วขอร้องว่าเราเข้าใจธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้เถิด เราไม่ได ย, ยายายได้เอเข้าใจว่าเป็นเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เพื่อจะดีจะเด่นอย่างนั้นอย่างนี้เอด้วยการศึกษาหรือปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนั้นมันเพิ่มอุปาทานแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเพื่อจะให้ว่างไปหมดไปเบาไปบางไปจาก e ism, อีโกยสุ่อจากความรู้สึกยึดมัน่นถือมันต้องการปีตัวตัวตนนี้แหละเป็นถูกต้องขอให้จเจริญงอกงามไปในลักษณะอย่างนี้ คำว่าความว่างนี่มันมีความหมายเฉพาะขอย้ำแล้วย้ำอีกว่าคำว่าว่างนิพานว่างอย่างยิ่งนี่มีความหมายเฉพาะหรือพระพุทธภาษิตที่สำคัญอีกข้อหนึ่งว่าสุญญโตโลกังเวคัตตุนี่ที่บอกว่าให้ดูโลกคือทั้งหมดเนี่ยโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเถอิดนี่ยก็หมายความอย่างนี้ว่าโลกที่จริงมันว่างแต่เราไม่เห็นเป็นว่างแล้วก็ให้พยายามพยายามพยายามให้เห็นจริงให้จนได้ว่ามันว่างอยู่ นี่จะนำไปสู่สูงสุดภาวะสูงสุดที่พิงปรารถนาไอ้คำกล่าวที่ใช้เป็นคําบัญญัติเฉพาะพูดกันเนี่ยมันมีความหมายพิเศษเฉพาะของมันเองแล้วผิดยุคผิดสมัยกันแล้วเข้าใจา ย, ยากอา น, นมาจึงพยายามอย่างยิ่งที่ใช้ภาษาไทยปัจจุบันภาษาไทยง่ายๆมีของมาฝากอาจารย์นิดนิดหนึ่งตอนนี้ว่าในสมัย สองพันปีเสร็จมาแล้วมีจารึกที่พระอบอัติของพระอร า, ารหันที่ขุดพบที่สารจีกลุ่มพระศธูลานั้นพระอบจารึกในข้าในมีศราธติ ข, ข้างขอบพระอบมีจารึกว่ากระดูกของไขรเขาใช้คำว่าสัปปุริสสสัปปุริสัตตะโมคคิลีปุตตสสะ พรโมคันลีบุตรผู้นี้ก็คือเราผู้ที่เราคาดใจกับเป็นพระอรหันต์แล้วก็โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าอโศกได้ส่งภิกษุออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในทิศทางต่างๆเมื่อท่านตายแล้วเก็บกระดูกไว้ที่นี่พระอภินิจารึกว่าสัพุริสสะมั้งโมคคันลีบุตตสสะได้ออกออกจากมชินมกัสสะอีกหลายหายองค์ที่เป็นผู่ร่วมงานของท่านข้างหน้าใช้คําว่าสัพุริสสะเนี่ยแปลว่าสัตบุรุษเท่านั้น ผู้ที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่มาคำว่าคราวก่อนเราเคยพูดกันถึงคําว่าสัตบุรุษทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอีกตัวเสถูกหนึ่งพบพระอบหินอย่างเดียวกันบรรจุกระดูกของพระอาหารหันต์ที่สําคัญคือพระมหาพระสารีบุตรกับพระโมกคขคลานะพระออกไปนี้กลับเขียนหนังสือทันทนว่าสารีปุตตะนั้นมหาโมกขลานะสาลนั้นไม่มีคําว่าอะไรข้างหน้าไมมีคำว่าอาหารหันตรือสัต บ, บุริสต์ เนี่ยลองคิดดูพระหันที่เด่นที่ ย, ก ย, กยก่อๆจะกลับไม่มีสมัญญาอะไรอยู่ข้างหน้าพระหันที่ย่อยลงมามีคำว่าสัตบุริษะสัตจบรุษเนี่ยวิธีใช้คำหรือวิธีไหมันผิดกันจังมากมายอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยนี้แล้วเราคงเขียนตั้งบรรพยาวยาวๆเลยว่าพระบรมอย่างงั้นอย่างนี้แก่พระสารีบุตรสมุคันลานะ นี่ก็เพื่อจะได้รู้กันว่าคำว่าสับุรุษนี้ก็มีความหมายายืดหยุ่นกว้างวางตามยุคตามสมัยจนยากที่เราจะเข้าใจ <c oughs> นี่เป็นคำที่ใช้อยู่ในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าอย่าได้ยึดมั่นติดมั่นในคำมักในคำนี่นักคือถ้ายึดก็ยึดไปในทา ง, ท, างที่เป็นผลดีดีกว่า <c oughs> เ, ปเป็นพระหันชั้นเอกเนี่ว่างเลย ไม่ต้องเติมข้างหน้าว่าพระอาหารหันต์หรือพระอย่างนั้นอย่างนี้เช่นขา้ารีบบุตรกับพระโมกขันลานะส่วนโมกคันธีบุตรจัดจ้านั้นมีสัจธรรมนะนั่นสรุปความว่าควรเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้อาจารย์ก็ดเห็นว่าควรมีข้อแม้อย่างไรหรือจะอภิปรายอย่างไรจะเอียดให้เพียงเท่าไรก็ขอได้กรุณายครั้งเลยแล้วจะได้ อจบการสาธกช้าก็ผมก็เข้าใจนะที่ท่านอธิบายมาเน่ะคือว่าก็ไม่ได้ยึดพระอรหันต์หรอกพระอรหันต์ก็คนนี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นอะไรแล้วคนส่วนมากยังยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เราจะเรียกว่าสัตว์ประหลุษหรือเรียกว่าพระอรหันต์อะไรก็เท่ากันมันแล้วแต่การแต่สมัยการใช้คํามันอยู่ที่การสมัยอยู่มากอทีนี้ แต่อย่างไรก็ตามมันหนีความจริงไปไม่พ้นว่าคนอย่างพระโมคคลาภาษาลิบุตสาวกพระพุทธเจ้านั้นเมื่อว่างแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนอย่างกระผมไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนส่วนมากที่นั่งอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอย่างท่านนุ่งผมได้พาสามขืนสละหมูสลัคณะออกไปอยู่ต่งหากแล้วก็ถือศินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นปกติ ไม่เดือดร้อนในการถือนั้นไม่ใช่ว่าใครบงังคับให้ถือมันถือไปเองอย่างนี้เรียกว่าว่างคนอย่างกับผมไปทํางานด้วยจิตว่างผมยังมองไม่เห็นเพราะลักษณะของงานมันขัดต่อการจิตว่างภาวะของผมสภาพของผมมันว่างไม่ได้ถ้าว่างไปแล้วมันก็ไม่เป็นกับผม ถ้าท่านบอกให้ผมไปบวชแล้อมันจะว่างผมเชื่อไม่ใช่ว่ายุดอะไรทางนั้นผมก็ไม่หยุดทีนี้การทํางานด้วยจิตว่างนั้นผมก็อยากจะเรียนถามเหมือนกันท่านหมายความวออ่ายังไงถ้าท่านบอกว่าทํางานด้วยจิตว่างแล้วงานทางโลกนั่นจะดีผมไม่เชื่อคือบอกว่าทําเป็นทหารไปรบไปเข้ารบด้วยจิตว่างยิงปืนด้วยจิตว่างแล้วมันจะเป็นทหารที่ดีเป็นยังไงพูดไงผมก็ไม่เชื่อ แต่ถ้าท่านบอกว่าทํางานไปจะอยู่ในโลกก็อยู่ในโลกเถอะแต่ถ้าทํางานด้วยจิตว่างอย่ายึดอย่ามั่นอะไรมันแล้วงานจะดีไม่ดีเนี่ยถึงจะเกิดผลายเราก็ไม่ทุกข์ถ้างั้นผมเชื่อที่ท่านพูดมาท่านหมายความว่าอย่างไรถ้าว่าจิตว่างแล้วงานประเสริฐอย่างนั้นนะงานการจะรุ่งเรืองนะถ้างั้นผมไม่เชื่อเพรายงานของโลกมันขัดกันกับเรื่องของการจิตว่างเรื่องของการทุกข์ให้ความสุขข้างโลกมันก็เป็นความทุกข์ในธรรม ไอคนที่เขาทางานกันเขาเพื่อทําเพื่อหาความทุกข์เขาไม่ได้ไปหาความสุขไอจุดหมายคือความสําเร็จของงานจุดหมายคือความในทางโลกถ้าทํางานด้วยให้เพื่อจิตว้างในความสําเร็จทางการทจิตว่างเป็นความสําเร็จทางธรรมถูกแต่ว่าจะเอาพร้อมกันทั้งสองอย่างไม่ได้สําเร็จทางธรรมจิตว่างต้องเสียทางโลกไม่งั้นคนเราจะไปบวชกันทําไมก็สักก็นั่งกันอยู่จิตว่างกันอยู่ทั้งผูกเนไทยอย่างนี้ก็ได้ ที่มันว่างไม่ได้มันผูกมัดอยู่อย่างงี้ที่หมายความว่าคารวาดเนี่จะไม่พยายามทําให้จิตว่างมผมว่าทําได้สิครับคือว่างกิเลสผมเชื่อคารวะควรจะพยายามแล้วควรจะรู้ด้วยทุกยอย่างไม่ควรจะยึดจะถือผมเชื่อผมเชื่อคือคอรารวะนะควรจะศึกษาธรรมะพระพุเจ้าควรจะรู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรแต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรู้ด้วย แม้แต่ในขณะที่ทำไปนะี่ถ้ามันจำเป็นต้องยึดมันก็ต้องยึดเพราะเรายังเป็นคาราวาสถ้าปล่อยหมดก็อย่าเป็นคาราวาสที่ต้องการให้คาราวาสทำงานได้ด้วยการที่มีความทุกข์น้อยและมีความมีผลสาเร็จ เ, เต็มเนี่ยจะมีวิธียังไงด้วยจิตว่างหรือด้วยจิตน<ม>ี<ม>่ผมผมเห็นว่ามันทุกอย่างแล้วครับคือถ้าจะเอาผลสาเร็จทางโลกแล้วมันก็ต้องซื้อผลสาเร็จนั้นด้วยความทุกข์ จะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรอก เ, อเนยทาขนมบางสองหน้าไม่ได้หรอไม่มีใครเขาใส่บาทอย่างนั้นอ่ะเป็นข่าวว่าทำทางโลกแต่ท้าต้องซื้อเขาด้วยความทุกข์ผมขอสอนพระสักวันนะครับขอ <c oughs> อยู่ในโลก <c oughs> ผมรู้ <c oughs> ไม่มีทางไม่มีทางทำได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะให้สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้ว จะให้ว่างจริงไม่มีทุกข์แล้วสละความสําเร็จทางโลกเลิกกันอย่างนั้นผมเชื่อ<ต><ก>ในขณะที่อย่างเอ า, เอเอาในขณะที่ยังไม่อาจจะสละไปได้ยังจะต้องอยู่ในโลกมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างแต่มันไม่ว่างและมีวิธีที่จะให้ทุกข์น้อยลงยังไงก็ก็อย่างนี้แล้วครับก็อย่างที่พูดอย่างที่พูดคือว่าก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ขณะที่ทํางานนะ่ะมันต้องนึกถึงงานมันไม่ว่างหรอก มันต้องนึกว่าทําเพื่อตัวอยู่นั่นเองแหละแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดเสียหายขึ้นมาแล้วตอนนั้นแหละธรรมะของแต่เท้าก็มาช่วยได้เอ้ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่เสียตัวเสียตัวของเรามันเสียไปแล้วมันก็นึกได้ความปลอบใจได้เหมือนกันตอนนี้เราจะต้องวิวาสกันแล้วคือความวิวาสของเรามีวาทาต่างกั น, นอยู่ที่ตรงนี้อาตมายืนยันว่าแม่เป็นคราวาทํางานอย่างคราวาทก็ต้องพยายามเอาเอาชนะทําให้เกิดชัยชนะต่อความทุกข์เออ การงานนั้นน่ะให้ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยอุบายวิธีที่เอาเอาหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทำจิตให้ว่างจากอุปาทานนี่ไปใช้ให้ถูกตามสัต์ตามส่วนและให้ลืมความเป็นคราวาสหรือความเป็นบรรพชิตเสียชั่วคราวมีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าในจิตใจกาลังเป็นอย่างไรถ้าเป็นทุกข์ ก็จะแก้มันให้ตรงจุดโดยหลักที่ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดมาแต่เหตุนี่แล้วก็ก็จะค่อยเป็นพระอยู่ในในในในบ้านเอในเรือนนั่นเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายถึงขนาดที่ทนไม่ไหวต้องออกไปเอเป็นผู้ไม่อย่างนั้นผมเชื่อครับอย่างนั้นผมเชื่อเอาแค่นั้นผมเชื่อถ้าผมไม่เข้าใจปังแต่แรกคล้ายท้ายแต่ทาก็จะให้จะให้เป็นพระอยู่ในเรือนแล้วไม่ต้องไปบวชทีหลัง ถ้าค่อยๆ อ, อบรมขัดเกลาไปทำให้ความว่างเกิดมากขึ้นมากขึ้นกับผมเชื่อมาจึงบอกไปเลยว่าให้พยายามทุกอย่างให้เข้าเข้าใกล้ความว่างนี่มากขึ้นแม้แต่ในการทำงานในการกินอาหารในการมีลมหายใจอยู่ให้ใช้วัยที่เป็นนิ่งแยบคลายที่ให้เราเข้าใกล้ความว่างนี่มากขึ้นมากขึ้นแม้ในแพทย์ที่สมมติกันว่าเป็นคราวาสเนี่ยความเห็น ถ้าเราคงแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นในในครอบสีกยอดก็ไม่ใช่มันมันแตกกันเยอะครับคือถ้ายิ่งว่างมากขึ้นไอความสําเร็จทางโลกมันต้องน้อยลงทุกทีถ้าอย่างนั้นยังไม่ใช่ความว่างคือที่ทศท้าบอกว่าจะให้ความสําเร็จมากที่สุดแล้วว่างด้วยเป็นไปไม่ได้ว่างกวเอาสําเร็จก็คือว่าจะว่างกว่าจะต้องต้องว่ากันทางว่างจะสาเร็จก็ต้องสำเร็จถ้ายิงสําเร็จมากเท่าไหร่ยิงว่างน้อยถ้ายิงว่างมากเท่าไหร่ยิงสําเร็จน้อยนี่ยคือข้อแตกต่างกันคือว่าคือว่าเออเป็น เป็นมหาเศรษฐีด้วยเป็นสัตว์บรุษด้วยไม่สําเร็จแล้วครับมหาเศรษฐีนี่ทุกมากไม่ว่ายิ่งมีเงินมากที่ทกมากเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอริยบุคคลจะมีได้ไหมนะครับเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอริยบุคคลมีได้ไหมถ้ากินได้มรดกมาได้แต่หาเอาเองไม่ได้ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลก็ไม่คิดเป็นเศรษฐีซะแล้วเป็นพระบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยเป็นเศรษฐีด้วย ผมไม่เชื่อครับถ้าคนไม่ต้องพระอริยาบุคคลนะครับคนขนาดว่างนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างผมเห็นว่าสมบัติไม่เที่ยงเงินก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เคยจะเที่ยงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยผมก็ยังไม่เป็นเศรษฐีทุกวันนี้ผมก็หาพอกินพอใช้ความจริงแล้วก็ผมมีหลักของผมด้วยคือผมยอมรับว่าชีวิตคนนี่มันต้องการอะไรผมไม่หาเงินล่วงหน้าไว้แล้วครับผมอยากได้อะไรผมไปหาเงินมาซื้อแล้วซื้อแล้วเลิกกันผมไม่หาต่อ แล้วเราถึงได้มีเวลาว่างมานั่งคุยกับท่านได้แล้วผมมาสร้งใจจะตั้งหน้า <c oughs> หาเงินอย่างเดียวเพราะอยากเป็นเศรษฐี <c oughs> วันนี้ผมไม่มา <c oughs> ผมไม่ว่างแล้วคนที่เป็นเศรษฐีแล้วอพอรู้สึกพอแล้วจะไปสนใจเรื่องของธรรมะควารรมว่างนี่ได้ไหก็อ้างว่าสนใจแล้วก็ได้แต่ใครลองไปแตะเงินก็สิครับเกิดไม่ว่างขึ้นมาเฉียวผมไม่เชื่อ้วฮะ ่ข้อขัดแย้งข้อนี้ต้องฝากกระว่ายกับท่านทั้งหลายให้ช่วยไปพิจารณาดูด้วยความคิดที่เป็นอิสระอาตมายังขอยืนยันอยู่ว่าหลักเกี่ยวกับดำรงสติให้มีความรู้สึกเป็นจิตว่างอยู่เสมอนี้ขอให้นำไปใช้ในทุกกรณีและทุกชั้นทุกวัยทุกเพศให้เจ้าที่สามารถจะทำได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ ลงมือทํางานรายใดแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ใช้ในกรณีนั้นเป็นอย่างยิ่งหรืเป็นอย่างเฉพาะส่วนข้อที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับทางคิดเห็นเกี่ยวกับการเวลานี้ไม่สําคัญโดยเนื้อหาอาจารย์ชี่อดก็ยอมรับว่า อ, อุปาทานนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําลายต้องละในที่สุดและนั้นเป็นหลักของพระพุทธศาสนานั่นมาก็ย้ํายืนยันว่าเราควรเข้าใจธรรมะในลักษณะนี้ คือข้าใจธรรมะลักษณะว่าจะต้องพยายามทำลายปาทานตัวกูของกูเนี่ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วถ้าทำถูกวิธีแล้วจะสบายเย็นอกเย็นใจทำการงานก็สนุกสนานไม่รู้สึกว่าเป็นการทนทรมานแล้วก็เป็นการก้าวหน้าในทางธรรมะร้อมกันไปในตัวในการทำงานนั่นมาขอ ขอร้องลยขอยืนยันและขอร้องให้เข้าใจธรรมะในลักษณะนี้และขอยุติแล้วขอท่านอาจารย์ครุฑีกล่าวสรุปพัฒนาอีกส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งคือก็ผมก็อยากจะสรุปนิดเดียวว่าความจริงที่ท่านพุทธทาสท่านจะคุณท่านไดชกรุณากล่าวธรรมะมานะผมเห็นด้วยทุกประการไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งเลยแล้วก็เป็นท่านได้พูดความจริงที่สุดในเรื่องการ เรื่องปัญหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายท้องปวงน่ะเป็นความจริงซึ่งไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้และเป็นความจริงซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วยิ่งตัดปัญหาอุปาทานลงไปได้มากเท่าไหร่เราก็เท่ากับตัดความทุกข์ออกจากตัวไปมากเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเป็นความจริงที่ควรส่งเสริมควรเข้าใจเป็นอย่างยิ่งควรเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง ที่พระองกราบเรียนท่านไปก็อยากจะให้ท่านเข้าใจและอยากท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นมันมีปัญหามันเป็นเรื่องของการเสียสละคือว่าโลกกับให้พูดกันอย่างชาวบ้านนี่ทําในที่นี้ขออย่าได้เข้าใจว่าหมายถึงทำตามที่ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ท่านเจา้าคุณท่านได้อธิบายมาแล้วตามสามความหมายของํารมใจอย่างนั้นพอพูดถึงโลกกับทำอย่างทีท่เราพูดกันทุกวันนี้ โลกหมายความหมาความวุ่นวายอ่อนวรงต่างๆทําหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความสงบต่างๆมันเป็นของขัดกันอยู่ในตัวเราอยู่ในโลกเราก็ได้แต่ยึดทำเป็นที่พึ่งความบริสุทธิ์สะอาดเป็นที่พึงความรู้ว่ตัตหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกไว้เป็นประจำใจแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติทำ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วโลกนั้นมันก็จะหมดความสำคัญสำหรับเราไปเองมันไม่เชิงวันไม่ใช่วันเป็นเรื่องที่เราอยากหรือไม่อยากถ้าตั้งหน้าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องแท้จริงแล้วถ้าหากว่าจะถึงพระนิพพานมันก็ถึงเองไม่ใช่เพราะเราอยากไปพระนิพพานหรือเราไม่อยากไปพระนิพพานแต่ในขณะที่เราเป็นคารวะนั้นความยากลำบากมันมีที่ผมพูดผมอยากให้เข้าใจเท่านั้น คือมันเป็นเรื่องสี่จะต้องเลือกเอาระหว่างความสําเร็จในทางโลกความมีตําแหน่งแห่งหนมีวัฒนามีความสะดวกสบายต่างๆคนทุกวันนี้ยังเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือความดีสิ่งเหล่านั้นคือผลของการปฏิบัติธรรมผมยืนยันว่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการทําให้ใจว่างนะ่ะมันเกิดผลดีคือความพ้นจากทุกไอ ฐานะทางโลกมันมันเป็นเครื่องนํามาซึ่งทุกข์ทางนั้นมันไม่ได้นํามาซึ่งความผาสุกอันแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรียนธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจอย่างที่เจ้าคุณท่านกล่าวเนื้อความจะทําใจให้ว่างแล้วทํางานจะเป็นเศรษฐีข้อนี้ผมไม่ข อ, อยืนยันแต่ว่าถ้าจะเป็นเศรษฐีในทางธรรมคือเป็นเศรษฐีเพราะเหตุว่าไอ้ความ ลำบากผิดพลาดยากจนค้นแค็งของตัวเรามันไม่มากระทบใจให้วุ่นวายได้แล้วอย่างนั้นใจเป็นเศรษฐีอย่างนั้นผมยอมรับผมเชื่อนี่มันเรื่องมันอย่างนี้เราทุกวันนี้นี่ผมอยากจะกราบเรียนในทันสาวกระเพดว่าการสอนธรรมะกับชาวบ้านทุกวันนี้นะ่ะยากเหลอนะครับเขาแปลผิดเอาง่ายๆอย่างได้เท้าบอกว่าถ้าทำใจให้ว่างแล้งงานสําเร็จนะ่ะเขาเข้าใจทันทีว่าถ้าทำใจให้ว่างแล้วเงินล้านเงินแสนจะเข้ามา คนทุกวันนี้หายใจเป็นเงินอยู่ตลอดนี่เป็นอุปสรรคของการประกาศธรรมเผยแพระธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะกราบเรียนไว้เพราะฉะนั้นว่าโดยทั่วไปผมไม่ได้มีความเห็นแตกต่างเลยแล้วก็ได้ฟังพระธรรมที่ท่านได้ อ, อธิบายมาด้วยความจับใจเป็นอย่างยิ่งอย่างลึกซึ้งและด้วยความเข้าใจแต่ว่าได้ตั้งแง่ข้อสังเกตต่างๆก็โดวยวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งอยากจะให้ท่าน อ, อธิบายให้กว้างขวางออกไปอีกให้กระจายความออกไปอีก หรือมิฉะนั้นก็อยากจะแสดงไอ้สภาพความเป็นจริงทางด้านคารวะทางด้านกิเลสตังหาทางด้านจิตใจของคนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ท่านได้ทราบแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วแต่ว่าจะมีทางแก้ไขในในทางธรรมต่อไปอยังไงก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าที่ผมพูดมาก็เพื่อวัตถุประสงค์เท่านี้ไม่ใช่เพราะมีความเห็นขัดแย้งหรือไม่ใช่เพราะอยากจะมาขัดคอพระให้บาปการมปละปายความจริงไม่ได้ขัดคอท่านเลย <c oughs> และประการสุดท้าย ผมเองขอกราบเรียนในความสุดจริตใจผมไม่เคยยึดถือพระอระหันต์เลยว่าเจริญพระอรหันต์เรีย ก, รรยกสัจธรรุษสัจธรรุษหรือเรียบรูบุูชเฉยก็ก็เท่ากัน เ, เท่านั้นไม่เคยนึกอยากเป็นพระอระหันต์ไม่เคยคิดจะเป็นแล้วก็ไม่เคยนึกด้วยว่าการเป็นพระอระหันต์นั้นเป็นของออวิเศษวิโสพึงปรารถนาอะไรทำนั้นไม่เคยยึดมอีอุปาทานในข้อนี้เลยก็เห็นจะสรุปได้เท่านั้นแหะครับส่วนสิบแปลงอาจารย์จะไปคิดดู ถ้ามีโอกาสพูดกันใหม่นี่เลยเวลาไปเยอะแล้ว